เวลาท่านจะฟัาธรรงตาท่นจดบันทึกด้วยว่ามันทำยังไงนะคุณยายจะพะจะบันทึกกันไหมคะคุณยายสมมาไปอยู่ตอนนั้นเข้าใจว่าท่านอาจารย์ัญญาดั่งดั่ง่มีการขาดไปนะที่ด่าไม่อาจจะเปิดเผยใน่อนการทราบโดยตรงหรือไม่หรือเปล่า แต่ถ้าเราท่านอาจารย์ปัญญาต้องต้อนมโครโฟนเลยคือวันวันนีคืวัอรู้วนนี้ก็เวลาท่านอาาย์ตมาแล้วเกร็ที่สำคัญอยดางการท่านอาจารยบันทึกก็จะจบแล้วไครับจบแล้วก็จแล้วในใจก็บอกแล้วว่าสมัยโบรานก็ไม่ต้องจะก็ไม่ต้องตอดอะไราปก็ไม้เขียนอะไรใจนี่แหละจะจบจทที่เก่งี่ส ถ้าฟังเข้าใจแล้วมันมันมันจะจำได้เป็นตลอดในการจำคำท่านบอกว่าอย่าไปฟังเพื่อเกิดเพืฟังเพื่อเข้าใจถ้าเราจปเกิดฟังเกิดฟังจํานี่ถ้านบอมันเป็นเป็นเป็นไฟเยือกไปเหมือนพยายามพยายามจำพยายามจกดเนี่ยพอบางทีขณะที่เราจดเนี่ยสิ่งที่ท่านกำลังพูดอยู่เนี่ยมันมันจะผ่านันเราจะไม่ได้รับต่อต่อเนื่องกัน แล้วมันก็เลยฟังบางทีมันไม่รู้เรื่องไม่ไม่ค่อไม่ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราตั้งใจฟังภาษาเดียวเหมือนเราคุยกันสนทนากันอย่างเงี้ยแล้วพอเราเข้าใจแล้วมันก็จําได้ยาวนานเลยมันไม่เลืมในสมัยนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดจะนำเชื่อเพืออะไรคือตอนนั้นตั้งใจฟังอย่างเดียวทางเพื่อนำมาเปิดเผย เรารู้แต่ว่ า, วาจะมาอญาตให้อั k เ e ได้ตลอดด้ว ย, งยางปดเฉยก็เลืตีหลังจากที่เสรลงท่านเสดจ็จไปที่วัดแล้วเมื่อถ้าตีนั้ น, น, นตีสองห้าสองหกหรื อ, อเปล่ามันงท่าสองห้าสองห้าแพะสองหกนะตอ ท่านเทศให้กับฆราวาสท่านอยู่ ไ, ไมเป็นที่เปิดเผยอยู่แล้วแต่ของพระนี่มันจะรู้สึกว่ามันจะบางคั้งท่านพูดเรื่องที่อาจจะเป็นเฉพาะของพระฝัง่ขงของงผู้ที่อยู่กลางปฏิบัตินั้นเพราะนั้นท่านก็ยังกันยังไม่ได้ให้อ่าแต่เวลาเรามาเห็นเทศที่เห็นเทศของท่านที่ปรากฏขึ้นมาตั้งหลายปีก่อนหน้านั้นก็มีการอ่านแล้วอยู่แล้ว แต่แค่ขวอนุยาตให้อ่านแล้ว เ, เป็นเป็นป น, ป น, ปนบางครั้งบา ง, างคราวก็รู้สึกว่าจะมีเป็นเทศแบบเนม้วนใ่ๆแล้วกมันหายเพราะว่าอของปีศู น, เนเยเจ็ดศูนย์แปดเนียถ้าอาจาักท่านผักไว้ในม้ใหญ่ท่านซื้แล้วยึกสองแบบส่งไปที่บ้านาตากอายุกหลังแล้วเนี่มั น, น, นหายไปอ๋อเจได้แต่ทําห้ยึกใหม่มันก็มันก็ไม่ตากเนะถูอว่าถ้าพูดถึงเนื้อหาารละ ประน์ที่จะได้รับจากการฟังนี้อาตมาเชื่อว่ามันก็ได้ไม่ต่างกันต้องการที่ค่าฟังมากกว่าว่าจะเอาไปปฏิบัติได้มากา <S <S าน้อยยังไงเพราะธรรมะของท่านมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ลึกลักเลืล้อยตกติดอะไรอย่างนี้ใไมครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การรักษาการแสดงให้กับผู้ที่ฟังบางครั้งทุราถ้าไปแสดงผิดการรักษา คนฟังคนฟังแทนที่จะได้ประโยชน์อาจจะเกิดโทขึ้นมาว่าเพราะแทนที่จะฟังด้วยธรรมอาจจะฟังด้วยเกลียฟางแลวเกิดมีอคติทางด้านใด้านหนึ่แล้วก็อาจจะไปกล่าวโทษท่านหรืออะไรท่านในฐานะที่ท่านมีกระดานาตรวจเผยธรรมะธรรมะหาเราเป็นการปลกระตุ้นใจคนทำาน ที่ที่ที่ระดมระวังเรื่องลนี้เรันเพื่อป้องกันทั้งผู้ที่ที่ฟังจะไปสร้างเรื่องสร้างกรรมให้กับตัวเองโดยใเหตุแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พูดด้วยถ้าผู้พูดก็พูดด้วยเจตนาลมที่สะอาดบริุทธิ์าได้มีปัที่ยจะได้อะไรจากการพูดเีงแต่ปาจนาให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการการพูดดังเป็นผู้ให้ แต่คนต่างถ้าฟังด้วยธรรมก็ไม่เป็นปัญหาอนะไรด้วยธรรมแล้วก็จะได้รับคนะยชน์แต่ถ้าฟังแล้วเกิดจังู้อัคติที่มีอยู่ในจิตใจของคนไม่ได้มันก็าจจะไปคิดไปในมุมที่ที่ไม่ดีได้แล้อาจจะไปคิดต่อหรือไปทําอะไรต่อทำให้เกิดเป็นเป็นเรื่องพัานเป็นปัญหาที่ต้องมาแก้ไขต้องมนคื ขันธรรมะของท่านเวลาท่านแสดงบางท่านก็ต้องท่านที่จะเปิดมหันต์เอาเพาท่านแสดงให้ผู้อืนฟังถ้าแสดงจากคนเสนอวิจารกัน้อยจะได้อาจจะพู่อย่างมากมายแบบนี้ก็ได้คือเป็นเรื่องธรรมะขอการปฏิบัติมันคือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับมีขางที่อยู่ในใจนะท่านนะสัทีพูดออกไปมันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงทางท่านนั้นก็ได้ โดยหลักแล้วก็คือเวลาฟังท่านสอนอว่าให้ทําใจทำจิตทําการให้อยู่เฉพาะหน้าเลยไม่ต้องส่งจิตไปหาผู้ผแสดงเราเป็นเหมือนคนตั้งรับเหมือนกับคนถ้าเล่นกีฬาก็คนที่เข้าประตูอยู่คอยอยู่แถวหน้าประตูนั่นแหะรอให้ลูกบอลเขาเตะเข้ามาห า, หาแล้วเรารับลูลลกบอลอย่าวิ่งเอกไปล่จับลูกบอลเดี๋ยวพอเสือปันมันยิงเข้าประตูเรา หน้าก็เราไม่เฝ้าอยู่ตรงหน้านประตูดันั้ใจของเราก็คอ ย, คอ ย, คอยเฝ้าอยูต่ตรงที่ใจนะเพราะเป็นจุดที่จะรับความรู้ต่างๆเสียงที่มาสัมผัสกับหูมันก็ต้องเข้าไปถึงที่าจเวลาฟังก็ฟังได้สองลักษณะฟังเพื่อให้เกิดปัญญาและหรือฟังเพื่อให้เกิดความสงบการฟังให้เกิดความความสงบก็คือบางทีฟังแล้วเราไม่เข้าใจถึงค ำ, ำที่ตังแสดง เพราะมันอาจจะเลือกเึ้นเลือกสูงกว่าระดับจิตมาที่เข้าใจได้แล้วก็เพียงแต่อาศัยการการจับที่เสียงของธรรมกระแสธรรมที่เข้ามาอยู่ที่เสียงนั้นเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างพอฟังไปให้อยู่กที่เสียงเพื่อจะได้ไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องราต่างๆจะเหมือนกับการสมถากภาวนาที่เราใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธแต่นี่เราสบายเนี่ยไม่ต้องบริกรรมให้เหนื่อย เราใสา่เสียงธรรมะที่กำลังแสดงอยู่เป็นเป็นตัวถูกใจไว้เหมือนกับเราใช้ทุบโถทุบโถมันสบายกว่ามันง่ายกว่าแล้วก็เพียงแต่ฟังไปเข้าใจได้ไม่ทําใจมากก็ฟังไปเรื่อยๆแต่อย่าเกิอ ด, ดอารมณ์หมุดหีิดถ้าถ้าว่าถ้าเราไม่ไม่เข้าใจก็ปล่อยใจก่อนค่ะนี่คือกเพียงแตอย่าอย่าอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอ พยายามฟังไปเรื่ยๆถ้ามีการเกาะติดอยู่กับกระแสธรรมที่แสดงมันก็จะทําให้ค่ อ, อยๆถนัดตัวกันเป็นสรรมะเป็นสมาธิญ ด, ด้แต่ถ้าฟังระดับหนึงนคือถ้าเราได้ปฏิบัติได้พิจารณาทำต่างๆมาผ่าน ม, มาแล้วพอเวลาท่านแสดงธรรมด้วยเหตุผลเราก็พิจ า, ารณาตามทว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้ เราพิจารณาไปพิจารณาไปถ้าเกิดเราแบาเข้าใจเราก็ร้องอ๋อเข้าใจแล้วอ๋องรู act, ้แล้ววิสุที่จะตัดวิสุทธิจะปล่อยตัดยังไงปล่อยยังไงก็คนที่ภาวนาในส่วนหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องปัญญาเรื่องเรื่องสรมถาสตวิปัสสนาอย่างแยกกออกบางคนคิดว่าเป็นการนั่งเหมือนกันนั่งธรมาสรนั่งวิปัสสนา ย่างนะฮะต้ให้กําหนดรู้เฉยๆไปแค่นั้นเองถ้ากำหนดรู้เฉยๆนี้มันเป็นการเจริญสติมากกว่าคือให้มีสติสัมปชัญญะให้รู้อยู่กับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสการทางตาหูสมองจิกายเพื่อเท่าตัวใจให้ใจคอยมีสติรับรู้อยู่เป็นทุกข์สว่าเดินเฉดู่ยยิงเฉลี่ย่นก็ลีนาน ก็ดีทำมาก็ดีก็ให้มีสติตามรู้อยู่กับสิ่งต่างๆแต่นี้เป็นเพียงการการสร้างสติเรียกวสติปัญญาซึ่งเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่จะนำพาไปสู่การทำจิตให้สงบที่เป็นสมรรถนิสสมาธิแลยวเป็นตัวที่จะพาให้ไปสู่การพิจารณาปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริง เรียกว่าวิปัสสนาการภ า, า, าวนาจึงต้องยากจนสองสองสอ ง, สองภาคสองจังหวดของเวลาอยภาคสุขาคสมถะภาคสนบก็ไม่ภาวนาเลยภาวนาไปเพื่อให้จิตนิ่งไม่ให้ไปคิดเรื่องราวอะไร้นต้องแจกจ่ายนิสัยของคนที่ชอบคิดอยุดคิดไม่ได้ก็ต้องบังคับให้คิดไปในทางปงาัญญา ก็จะได้เป็นแนวแห่งอปัญญาอบรมสมาธิไปคือแค่ความคิดด้วยเหตุด้วยผลนี้ใน่อมจิตใจให้เขา้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิและถ้าคนที่คิดไม่เต็มแล้สามารถบรัพชิตให้อยู่กับพุโทธโธพุทโธแลือให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็กำหนดดูตามเข้าไปอย่างนั้นจึงจุต จะสงบตัววมลงเป็นอัตตาลงมั่งมั่นอยู่ในความสงบในขณะที่มันอยู่ในความสงบจากนั้นก็ไม่ต้องบริกรรมหรือไม่ต้องกำหนดดีโงหาใจาะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป้วการดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมเป็นเพียงทางเดินเป็นเป็นตัวตัวพาพาไปสู่จุดหมายปลายทาง เมือนกับรถยนต์ที่เรานั่งมาเพื่อให้มาถึงสถานที่นี้พอมาถึงสถานที่นี้เราก็ลงจอดแล้วก็ขึ้นมานั่งอยู่ที่ศาลานี้รถยนต์ก็จอดอยู่ไม่มายื่นเกี่ยวกับเราแล้วอรับอันใดการพอน้ำว่จิตงมลงเข้สาสู่ความสงบจนนิ่งเฉยแล้วการบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะหยุดไปโดยธรรมชาติการกําหนดรวมหายใจก็ออกก็จะหยุดไปโดยธรรา อันนี้เรียกว่าเป็นการการบำเพ็ญเพื่อให้เกิดความสงบใ น, นขณะที่จิตรวมนออยู่ในขณะนั้นจะรวมอยู่นานหรือทั้นยาวหรือท่านนานหรือไม่นานอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปาตามธรรมชาติของมันในขณะที่สงบอยู่เนี่ยไปเดินอย่าไปอากกถอ น, นอมไม่หลับมาในขณะเวลาที่ทอดสมรรยเรยอ พอทอาสมอจนสมอมันติดติดดินดีนแล้วแล้วก็ไปดึนมันถอนขึ้นมาอย่างนี้เรือมันก็ไม่ไม่ไม่จอดอยไม่ไม่หนึ่งพอเราทอสมอเรือจนกระทั่งสมอมันติดดินสามารถดึงไม่ให้เหรือไหลไปตามกระแสน้ำได้แล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันอยู่นิ่งเหมือนกันจน่ว่าน้ำจะถอนขึ้นมาเองจิตจะเมื่อมันสงบลงไปแล้วก็ปล่อยให้สงบกันมันนิ่งเฉยอย่างไรก็ปล่อยมืนกันไม่ต้องไม่ต้องไปถอมันออกมาเพราะนั่นคือเป้าหมาของการการสงบถอดถอนเพื่อทําจิตให้นิ่งให้สงบเพราะการสงบนิ่งของจิตได้งานเท่าไหร่ก็จะสร้างกําลังจิตที่จะมีกาลังที่จะต่อต้านกับกิเลสปัญหาต่างๆได้มากขึ้นไป ที่หนิ่งไดงน า, นานเท่าไก็ยิ่งกำลังต่อตื้อกับเกลียดปัญห า, าได้มากขึ้นไปังนั้นเบืองต้นจะต้องสร้างฐานของสมาธิจากความสงบให้ให้มีให้มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง ท, ทําแบบสมถากภาวนาเพียงแค่เดียวก็ยังสามารถจะเรียปพัฒนาไปด้านด้วยสลับกันไปคือเมื่อหลังจากที่ออกจากออกจากสมาธิจากความสงบแล้ว ถ้าเป็นนักปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่มีภากิจการงานอย่างหนึ่งหรือมีก็ต่างเช่นเดินพระถึงแม้ว่าจะออกออกจากสมาธิไปแล้วอาจจะต้องออกไปยิ่งสบายก็ยังสามารถเจริญทำได้ทำขั้นวิปัสนาแลัคด้วยการพิจารณาร่างกายไปในขณะที่ไปทํากิจกรรมต่างๆพิจารณาดูพัฒนาสามที่สองของร่างกายไปก็ได้พิจารณาดูความแฉะความเจ็บ ความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็พิจารณาไปได้เรื่อยๆอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาการการรู้คุ้ต้องพคู่รอดมรู้รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับรู้ว่าเราเกิดและก็ดับแต่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเราไม่สามารถที่จะไปมีอะไรกับมันได้มที่มันไม่ดับมันมันเกิดดับของมันเองถ้าอีวิตแต่บาทีมันมีการจำเป็นที่เราจะต้องดับเนย แต่เวลากิเลสเสือมเนี่ยเราจะมาดูเลสแล้วรอให้มันดับเองเนี่มันไม่ดับเวลามันโจกเนี่ยมันมันก็โกรธจนมันไปเรื่อยๆเสื่อมเกียรก็เกียร์ไปเรื่อยๆเสื่อมจนมันตายถ้าจะต้องให้มันถ้าให้มันดับเราต้องใช้ปัญญาดูวิปัสสนาก็ไปดับในเช่นใช้ความเมตตาแค่เวลาโกรธเราต้องเห็นว่าโกรธเนี่ยมันเหมือนไป เปลมงเผาเผาจิตใจเราวเวลาโกรธนี่คนที่ถูกโกรธเขาไม่รู้เรื่องอ่ะพัฒนาแต่คนที่โกรธนั่นแะมันจะตายเาพราะความรุมนร้อนของจิตใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ า, ธ า, ธาท่าเยระบายเพราะความโกรธกำลังเผาฐานตัวเองกําลังสร้างความเครียให้จิตจิตใจของตัวเองก็ต้องมองให้เห็นตรงนี้นผมโทษของความโกรธแล้วถ้าเห็นต้ามันก็ดับได้ไอเรากําลังบ้าเร า, าอยู่ดีๆเราไปโกรธแค่ทำไม กรแล้วเหมือนจะเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเวลาโกรธไทยก็เอาก้อนมาทุบศีรษะเรามันจะไปเกิดประโยชน์นี่คือนี่นี่ดักพิจารณาเดี๋ยวเราต้องพิจารณาดับมันให้ได้ไม่ใช่รอให้มันดับเองเลยว่าพิจารณาดูงามรูปแล้วมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันดับเกิดแล้วเี๋ยวมันดับถ้าถ้าเกิดแล้วมันไม่ดับไปทำยังไงยังไเราลองลองคิดบางอย่างเราเราดับมันได้ถ้าเรารู้เหตุของมันว่ามันเกิดจากอะไร ความทุกข์ใจนี้มันมีเหตุทําให้มันอยากเกิดขึ้นมาในของความทุกข์ใจก็คือกัรหาที่ท่านแสดงว่าใอะไรสักอยู่สมุทัยมีการว่าการหาเพราะว่าการหาหรือเพราะว่าการหากัรหาของสารตัวนี้มันเกิดตะลายแล้วเกิดประทามหลงปรามหลวงพราอมอยากเห็นอะไรแล้วก็อยากได้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้มันไม่ใช่เป็นความสิทมันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่ต่อไหลมันเป็นมรรค การลบด้านเหมือนกันว่าปลาไหลจะงูพิษนี่คนที่ดูไม่เป็นก็อาจจะคิดว่าปลาไหลงูพิษเป็นปลาไหลก็ก็อยากท จ, จับตัวจริงอยาก จ, จับมารับประทานโดยไม่รู้ไม่รู้จักวิธีที่จะจับมันให้ถูกต้องก็ถึงมันจับปลาได้เห็นไหมความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็เกิดจากเกิดจากปัญหาเป็นสมุทยัยปัญหาทั้งสามปัญหาทั้งสามก็เกิดจาก โมหะเรื่องวิชาความไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนประหยัดได้ประหยักสัมผัสยันมันมันเป็นโทษมันไม่ใช่สิ่งคุ้มสัญญาเสด็จเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่าเสดจสก็ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษเสดแล้วมาทําให้ขึ้นสวรรค์แต่ก็ไม่คิดถึงเวลาที่มันมันแสดงฤทธิของมันออกมาเวลาที่ไม่ได้เสดมันก็จะตายเอาเวลาที่อยากเสด็จก็ไม่ได้เสด ถ้าเราที่ต้องสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งแต่ตั้งแนสร้างข้ารานิจจ์ตังสร้างข้ารัทุกข์ข้าตั้ธรรมะอนัตตานี่คือวิปัสสนาเราต้องเห็นได้ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาและสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากจะมาสัมผัสอยากจะอยากจะมีให้เป็นสมบัติไว้ครอบครอง ถ้าดูเฉยๆมันมันจะไม่ไม่มันจะรู้เฉยๆอย่างนี้ม sí ันจะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะดับความอยากได้เมื่อดับความอยากไม่ได้มันก็ดับความทุกข์ไม่ได้ดังนต้องต้องสอนใจให้ให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าเป็นทุกข์จริงนโลนี้ที่เราที่เราหลงกันอยากจะได้กันอยากจะมีการอยากจะเสอยากจะสัมผัสกันรู้เป็นทุกข์อยางนั้นรเป็นทุกข์อย่างนั้น เราเคยสร้าง้าวลาผูกขาแล้วเราเป็นท่าเป็นทุกขาก็มันจะนิจจามันเป็นของไม่เที่ยงเราได้อะไรมามื่ใหม่มันก็ดีออกดีใจแล้วสักทักหนึ่งเราก็เราก็เบื่อมันก็ได้ของมันยัไม่ทันเปลี่ยนการรับเปลี่ยนไปก่อนแล้วะหรือเราไม่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปมันจากของใหม่กลายเป่นของเก่าไปมันก็ทําให้เราเกิดความเบื่อ เรืองอะไแต่เพื่อความสุขจะหายไปความทุกเข้ามาแทนที่นี่คือการเจอร์นี่ปัจเจาเพื่อให้เข้าใจให้เห็นปล่อยรักเห็นวิธีการทุกข์ขันนัการในสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นหรืองานมขันที่ในจิตเป็นเรืนาปัญญาสันขานมีงาน ก็แต่ลมไฟรักเหนกันเวทนามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหอก็สดเหนือก็ซึ้งเหนือก็ไม่สดเหนือก็ไม่ซุ้งลมไฟเย็นมาไมื่อับฝนฝนตกแดดออกมันสลัดรันไปถ้าเราเข้ใจแล้วเราไม่ไปยึดตัวผิวจะมันเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่เรามีความหลงเราเราไม่รู้กันเรามักจะยึดติดแบบถึกเวทนาอย่างเดียวถึงไอ้ทุกเวทนาจะไม่สุกไม่ซึ้งเวทนานี้ไม่ก็ไม่ก็อยากจะเจอเลย ทุกเวทนาในตัวตั ว, ต, วตัวที่เราเกลียดหน้าที่เกลียดลองลงมาซะทุกตัวไม่สุขไม่ทุกชีวิตชีวเฉลยบางทีบางวันไม่สุขไม่ทุกก็เบื่อแล้ะก็เซ็งล้ะอยา่ได้ให้มีสุขอย่างเดียวต้องฝุกไม่ทุกอย่างเดียวต้องได้ดูไ ด, ด ไ, ดได้สังขัรได้ยินได้ฟังแต่ในสิ่งที่ทําให้เกิดความพอใจจะเป็นสุ่างที่จะนัด นี้มันเราเราไปบังคับสิ่งต่างๆในโลกนี้เลยได้มันมันมันไปมันมามันมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปอยู่ตลอดเวลางั้นเราต้องเจอทั้งสามดุนาอยู่เสมอเจอทุกบ้านเจอสุดบ้านเจอไม่ทุกไม่ทุกบ้างันปัญหาของเราคือว่าเราต้องอยากไปหลากไปจงเกลียดจงทังทุกด้วยดขนาอยากเจอจงเกลียดจงชังไม่ทุกไม่สุดไม่ดุขนา อยากไปรักจะอยาไปยุ่งดีก็ติดเท่นานต้องตั้งใจจากเข้ามาสู่อุเบกขาก็ต้องการด้วยการเจริญสมาธิอีกหนึ่งการทําเจริญสมาธิต้องไปทำจิตให้เป็นอยู่ก่อวางเฉลี่ยพอจิตใจอยู่ในขาแล้วสมัครจะมาอัไก็กได้ร้อนก็นได้เยนน็นก็นได้ตดกกระลากชุบก็ได้ก็ไม่เหลือนอนเท่าไหร่สามารถเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัวที่ สร้างความอยากสร้างความวัดสร้างความชังนี้มันถูกกดไว้ด้วยกำลังของสมาธิเวลาทาจิตให้สงบพิกรนแลวก็สงบตามจิตเนี่ยมันจะออกมาเพ่นพานแสดงอาการต่างๆได้ดังนั้ถ้าเราสามารถเจริญสมาธภาวนาได้มันสงบได้ตลอดแค่ตลอดเวลาที่เราตื่นเลยด้วยอำนาจกลังของสมาธิถ้าเราทำอย่งต่อเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น แต่มันจะมีเป็นช่วงๆเป็นจังหวะๆเวลาจะสัมผัสกันหน่อยเราลี่ยมันมันมันขุดขึ้นมาเนี่ภูเขาไฟเนี่ยนึกมันระเบิดออกมาทีมันถึงจะแสดงอาการให้เราเห็นเช่นเวลาเกิดความไม่พอใจเกิดความอะไรมันก็จะแสดงความร้อนใจขึ้นมาทันทตอนนั้นเน่ยเราถึงต้องใช้ใช้วิจัดการเ้าไปจ่ายทีพอมันแสดงการโผขึ้นมาว่าเนี่ยเราต้องรีบเราต้องรู้น้ว่าต้องทำยังไง ถ้าไม่รูวมันก็จะมันโกรธไปของมันไปเรื่อยเรื่อยภาษามันจะหมดแรงไปเนี่ยคือการการการปฏิบัติจะทดสอบกันก็ทดสอบกันตรงช่วงเนี้ยช่วงช่วงเวลาที่เกิดเหลุในเกิดขึ้นมาจริงจริงนี่ยมันไม่ได้ตาด้วยอำนาจของสมาธิมันเพงแต่ถูกกดไว้ให้ไม่กล้าออกมาเพ่งพ่านเหมือนเหมือนขณะที่ไม่มีสมาธิขณะที่ตัวไม่มีสมาธิมีเกิมันเพ่งพ่านไม่สบาย ถ้าไม่ได้มีตัวที่ไปคอยไปคอยไปกดหน่วยบีหน่วยเป็นคนที่ไม่มีสมาธินี่จะแสดงความนุ่มโมโศออกมายมากกว่าคนที่มีสมาธิคนที่มีสมาธินี่จะเป็นคนสมัทธะสี่หดเปลี่ยงเปีย่ยนตัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายัางว่าสิ้นเกิดเนาะกิเลสมันไม่โผล่ออกมาเพ่งพลาดอย่างเมื่อก่อนนี้มันจะออกมาแล้วแต่เมื่อมีอะไรที่เข้าไปกระตุ้นมัน ขึ้นไปเห็นอะไรที่รักจริงๆอยากได้จริงๆเนี่ยมันถึงจะโผล่มาเดีวโกรจริงๆเผือจริงๆเนี่ยมันถึงจะโอล่ถ้ามันโผมาเนี่ยมันก็ถึงบอกกระให้รู้ว่าเนี่ยยังไม่เนี่ยยังไม่ตายในคนนึงอยู่ที่บางทีคนปฏิบัตินี่ไม่รู้ไงก็เลยต้องไปหาคนที่เก่งๆในชื่อหลวงตาคอยช่วยประทุ้งให้ไปเจอหลวงตาเนี่ยเดี๋ยวถ้ากระทุ้งเี่งๆมีเท่าไรออกมาหมด แล้วท่านจะท่านท่านจะเข้าใจวิธีที่จะกระทุง้งเป่าพอไปเจอท่นแล้วท่านจะมีเทคนิคมีวิวายมีนีลาต่างๆเยอะแยะไปหมดมีทั้งลูกล่อลูก ล, กล า, <c oughs> า, ากขณะการอยู่กับครูบอาจารย์ที่ท่านผ่านได้เนี่ยจะมีประโยช น, น์มากครับตรงนั้นมันจะช่วยมันจะช่วยมัอนกับทดสอบติการขอา ถ้าเรารู้ว่าเอาเนี่ยเรายังยังไม่ยังไม่สิ้นเนะตัวโรคกดลงนี่มันตัวรับยาเนี่มันอาจจะถูกทำลายไปหมดแล้วแต่ตัวขนาดกลางหรืตัวขนาดละเอียดนี่มันอาจจะยัถูลกลบซ้อนอยู่ทางที่ต่างทางที่ท่านสอนเราในมุ่งต้นสติปัญญา น, นี่ก็จะคาดว่าเจริญปัญญาใหนให่ๆ น, นี่มันจะ มันจะเจอที่เหลวเต็มไนหมดเลยไม่ต้องไปหามันว่าที่เหลวมันมันมีเั้นผ่านอยู่ตลอดเวลาแต่พอทวกที่เหลส่วนใหญ่ไม่ถูกทำลายไปหมดละขั้นต่อไปท่าหต้องไปคุยคุยจะไปหามันนะมันจะหลบซ่อนมันไม่โผลอมาเหมือนเหมือนทวกที่เหลวพวกส่วนใญ่ทั้งหลายในการปฏิบัติมันก็จะมันก็จะเป็นขั้นๆของมันไป โดยเป้าหมายก็จา ก, จากจากจากรูปเข้าไปจ่รานถันในเบื้องต้นจะพิจารณารูปลูกถกขันก่อนเชนร่างกายพิจารณาให้ผ่องแพรให้เขา้าเข้าใจเก็นที่เลยว่าร่างกาย น, นี้เป็นอย่างไรก็มีอยู่สองสามลักษณะด้วยกันคือเห็นอ น, นิจจังคือเห็นว่าร่างกาย น, นี้มันก่อเกิดเจ็บตายทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นต้องมีการาพักทายจากคน็นธรรมดา ก็ต้องพิจารณาจากท่านจิตวานร่างกาได้คือจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนจะจะเจะ็บไข้ได้ปวดก็มไม่เดือดร้อนจะตายก็ไม่เด้อนจะพลาท่าจากกันก็ไม่เดือดร้อนไม่หกไม่ใช่ว่เฉยๆใธรรมดาแต่ต้องก็พิจารณาดูความเป็นธาตุสู่ดินน้าลมไปแล้วร่างกานี้ก็เป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากดินน้ำลงไปไม่ใช่ขัวไม่ใช่ตัวมีการ การอต่อเนื่องมีการมีการเขาเรียกว่ส่งเสบียงมาเสริมอยู่ตลอดเวลาคืออาหารอาหารก็เป็น น, น้ำมูลไฟอาหารมันจะมาจากอะไรถ้ามันเล่นมาจาก น, น้ำมูลไฟข้าวร้อนก็ออกมาจากยินผักก็น่ออกมาจากยิ้จากมันก็ต้องกินผักนาากนหญ้ามันขึ้นมาจากผักหญ้ามูลไเทำให้ร่างกายมันก็เลยเล่นเล่นกลให้มันดู แรงจากจากผักจากข้าวจากเนื้อสัตว์มากลายเป็นผมบ้างเป็นขนเป็นเล็บเป็นพันเป็นหนังเป็นเล็บเป็นอวายวะต่างๆแล้วมันก็อยู่ไปอย่าง้าถึงวันที่มันแกจะลายหยัดไปมันก็กลับคืนสู่ดินอีกอย่องหนึ่งไเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยพิจารณาอย่างข้างมันมันช่ำชองมันมันพอคิดถึงปั๊บมันก็มาต้องดูเลย จะปล่อยได้เนี่ยเมื่อเราเราถือก้อนก้อนก้อนดินนม้ก้อนหนึ่งเราไปเสียดานทำไมเราจะไปเรียกว่าก้อนดินนี้เป็นของเราได้ไหมเราก็รู้ว่าก้อนดินนี้เราขุดมาจากดินแล้วถ้าเราใช้ประโยชน์มันได้เราจะใช้เช่นเราเอ า, เอ า, เอาดินขุดมาแล้วก็เอามาปั้นเป็นลูกเหงบปั้ น, นเล็กๆไว้ยืนหนังสติ๊กไว้คอยไล่ยิงยินจั ด, ดจที่มันมารบกวนเราแล้วก็ทําประโยชน์ไป แ, แล้วราไม่ไปยึดกไปติไปเชื่อว้าก้อนดินก้อนนั่นนันเป็นราวเป็นตัวลาวหรือของอะไร่างการนี้ก็เป็นเหมือนก้อนดินอยางอยเดมื่อถึงเวลามันที่มันจะมันจะตัดขึ้นสู่สภาพหนึ่งของ ม, มันก็ก็คืนเหมนกันี่คือการพิจารณาปัญญาทางด้านร่างกายเพื่อที่กาจัดที่เหลือส่วนยาแล้วก็มีอีกทางหนึ่งก็คือพิจารณาดีวัสุภาความไม่สช้งาน ก็มีถ้าไม่พิจารณาแล้วก็จะกิเลสจะให้ดูแต่ความสวยางามแล้วเกิดการท้าปัญหาความำกำลังดีเดียวในการก็ต้องพิจารณาแต่ระทังเห็นว่ามันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สยวยงามเพียงแ ต, ต่ว่ามันถูกซ่อนซ่อนไว้อยู่ใต้ผิวหนังเท่านี้นใต้ผิวหนังถ้าเราถ้าเรามีตาเอ็กซเรย์สามารถมองทะลุข่าน ไ, ได้แล้วก็จะเห็นมี อาการต่างๆมีโครงกระดูกมีปับไตใต้ทุงอะไรต่างๆเป็นเปนส่วนที่ดูแล้วไม่สวยามเลยเราไปดูที่ตลาดเวลาที่เขาเอาตับไตใต้พุงของสุกรของวัวของอะไรมาขายของคนก็มันก็เป็นแบบนั้แหละังแต่มันถูกพุ่มพวงไว้เรื่อยๆเราจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าใจดูอยู่เรื่อย นักพิจารณาดูสภาพที่งานมันตายไปแล้วเป็นยังเวลาขึ้นอื่นเป็นยังไงเวลาที่ไปงานสน่วนนี้ความจริงท่านต้องการให้เราไปตรงตรงนี้การคือความตายคือความไม่เพียงแค่นอนๆแล้วถ้าตรงเลื่องอสุภะอสุภะร่างกายนี้แท้จริงแล้วมันไม่เสื่อมไม่งานเลย้องพิจารณาจะกระทั่งมันสามารถกำจัดว่าถ้าปัญหาความกำํำหนัดยิ่ดือดให้หมดไป เม hmm. ื่อหมดไปแล้วเรื่องการพิจารณของร่างกายต่อไปก็ไม่ต้องทําแล้วเพาะพิจารณางานมันก็มันก็มันก็มันไม่มีปัญหาแล้วกลัวตายก็ไม่กลัวแล้วกลัวแก่ก็ไม่กลัวแล้วกลัวเจ็บไข้ก็ไม่กลัวแก็ไม่กลัวแล้วจะไปยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเของเราก็ไม่ยึดไม่ติดแล้วเข้าใจแล้วมันเป็นเพียงดินน้ำอยู่ก่อนจะไปหลงไปชอบว่าเป็นสิ่ที่สวยงามก็ไม่ได้ยินดูอะไรเลย ก็เป็นอย่างนั้นแล้วาการที่จะร่างการมันก็หมดไปโดยมีืปริยาเมื่อนไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจต่อไปยิ่มันก็มีงานที่ทะเยอทขึ้นกันนั้นคือเจองานนานๆมาขันที่อยู่ในจิตเพื่อโฆษณ า, าทุกดโวษนาทุกโฆษนาไม่สจบไม่ทุกงไม่ชนาะยืนสัญญาสังขารมีอย่างอย่างนี้มันก็ยังเป็นผลที่จิตเนยองไปยึดไปจิตอยู่ สังขารก็ยังคิดตรงยังชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้นก็มีความทุกข์มันคืคิดแล้วก็มีความทุกข์แต่พอมีความทุกข์ก็ไม่รู้จักยอมดับเลยเพราะปฏิจติสังขารคิดคิดแล้วไม่รู้จักวิธีหยุไม่รู้วิธีหยุดที่หยุดคิดก็ต้องยากทุกคิดตัดตัวที่กำลังคิดอยู่คือแากจยุดออกออกจากกัน จากขังขังความคิดตแยกจิตออกจากวิทนาแยกจิตออกจากวิญญาแยกจิตออกจากเห็นยาคือจิตจะขังนี้เป็นสัวส่วนหนึ่งขังนี้เป็นออกมาจากจิตคือก็เปรียบเสียบเหมือนกับน้ําในในสระน้ำในสระนี่จะมีของน้ําจะมีคลื่นแต่มันไม่ได้เป็นมันมันไม่ได้เป็นตัวน้ําเลยต่อ แต่มันอาศาัยน้ําเป็นตัวทําให้มันเกิดขึ้ น, อนของน้ํามันต้องมีน้ํามันถึงจะสกิดของ น, น้ำคล <c oughs> ืนก็ต้องมีน้ํามันถึงจะเกิดคื่นขึ้นมาดังนัตัวเวทนาสนัญญาถังขายมีอย่างก็ต้องมีจิตมันถึงจะเกิดขึ้นมาไ้ท่านี้เรียกว่ามัเป็นนักการของจิตแต่มันไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตนี่เป็นตัวที่ถาวรไม่เปลีย่ยนแปลง ไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บแต่ตัวฐานนี้มันมีการเกิดดับเกิดแบบหยุดเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆที่ได้แสดงไว้เวทนามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากหยุดเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นหยุดไม่หยุดไม่ทุกข์มันก็ไปทําะอย่างนี้ตัววิญญาณที่รับรับรู้เรื่องต่างๆที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกมือกายมันรับรู้แล้วมันก็ดับไปมันก็รับรู้เรื่องใหม่เข้มาเกิดดับเกิดดับ เห็นรูปนี้แล้วมันก็ลับเข้ามาพอรูปนั้นดับไปความรับรู้รูปนี้มันก็ดับไปเส้นเห็รูปของนายกรแล้วพอนายกอหาเดินไปแล้วความรับรู้รูปของนายกรนั้นก็หายไปนายขอเข้ามาแทานที่จะเห็นนายขอมันก็เกิดดับเกิดดบับรับรู้อยู่นี้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไ ป, ปนาการสิ่งที่มาส่งผลจากตาหูจะนถึงหูใเรียกว่าเป็นยินย่งาหญ่เป็นผู้รับรู้เป็นตัวรับรู้ รูปเสียงกินแล้วโผต่ขัดะแล้วก็ส่งมาที่ใจเมื่อส่งมาที่ใจแล้วก็ตัวสัญญาก็เตตัวทางานต่อรูปนี้เป็นรูปไายเนาะอ๋อคุณคุณนั่นคุณนี่ตอนต้นมองใจใจก็ไม่รู้เป็นใครก็พยายามเลถดเสือเรี่ยไอ้ไทย น, นะคนนี้เคยเห็นหน้านี่ก็เรียกว่าสัญ ญ, ญา หรือว่าดูแล้วว่ามรู้คนนี้น่ารักน่าเชื่อถือถ้าเป็นคนที่เคยให้เงินให้ทองมาก็น่ารักจะดีอกดีใจแต่ก็เป็นคนที่เข้ามาทวงนี่ทว ง, งนี่พอให้หน้าแล้วนี่ก็เบื่อนะเนื้อันนี้ก็ทําเรื่องสัญญาทำจังแล้วก็ทําให้เกิดเมทนาตามมาเวลากีเห็นเห็นภาพที่ที่ติดใจก็เกิ ด, ดเมทนา เป็นภาพที่ไม่ถูกใจก็เกิดคิเวทนาเป็นภาพที่เฉยๆก็เกิดไม่ถูกไม่คกด้วทนาเช่นกันนี่หน้าที่ของแล้วมันก็เดตัวหนึงพอมันพอมันพอมันเห็นว่ามันก็เกิดสังขารตามมาความคิดถูกว่าจะทั้งทันในดีถ้าเห็นตรงนี้เอหน้ารักหน้ายินดีก็ไปต้อนรักขัดสนเป็นไงสบายดีไหยทรานชายนี่ก็แค่สังขารความคิดถูกตาไป ก็จะจ้านี่ก็เตรียมเตรียมที่ได้แล้วม้าองขวาขณะที่เตรียมตรงนั่นก็สังขารกำลังทางานแล้วใช่ไหมคิดแล้วมันจะเป็ทาไหนดีถ้าถ้าหลบไม่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องทำใจดีช่วยช่วเสืออันนี้ก็หน้าที่ของสังขารแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมืเกิดความทุกขขึ้นมาสังขารมันก็จะเพิ่ปริมาณการเกกาเกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยสังขารมันก็จะอยู่ อยู่อยู่ในในในกระแสของของธรรมของความอของเหตุของผลว่าเกิดมาแล้วทักต้านกรรมมาน่าอเงี้ยเมื่อผลมันจะปรากฏเจ้าไม่ต้องไปกลัวมันอะไรเจ้านี่จะมาลง น, นี่จอก็คุยกันไปมีอะไรให้เขาได้ก็ให้เขาไปมไม่มีอะไรก็ตรงนี้ก็ด่าให้เขาหมดนะ หรืพอพขจะจับเราเข้าพุทเข้าตาราจะจะเอาแต่เราไม่ต้องหนีไม่ต้องหวังหนียองสู้นี่คือคิดแบบธรรมะคิดคิดไม่ให้เกิดปีเลปปัญหาคือความอยากจะหนีวิภาวะปัญหาคือความอยากหนืออยากไม่ไม่อยากจเจอตรนมมี้อยากจหนีจากตรนี้เช่ีเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ปวดหมอเขาบอกว่ามีเวลาหกเดือนเท่านั้นเองเก็รับกับความปี่นั้นเลยไม่ได้องกลัวมัน ถ้าเป็นสังขารของธรรมะก็จะเป็นอย่างไรหนุ่กับหนุ่ในคนเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บตายแต่ถ้าไม่เคยมีธรรมะมาก่อนเลยพอหม อ, อบอกมีหเดือนนี่แหละหัวใจมันลงตื้นที่ทางมันหมดกำลังมันหมดกำลันนงใจที่จะอยูแ่แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนี่ก็คือสังขารเมื่อพิรามาพานาะวิปัสสนาเพื่อที่จะสร้างสังขารที่ไปในทางธรรมะเพื่อที่จะ้ รับกับเ้วยนาที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสของของอุญญาย์ของจากถึกเรื่องของเหตุกรรมต่างๆเข้ามาแล้วก็การด้วยสัญญาว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างนี้ย่งนี้นะแต่ถึงว่าถ้าเราไปอยู่ในประเทศที่เขาคิดแต่เราเราฟังไม่้เรื่อ ง, องสัญญาเราก็ทํา ง, งานไม่ได้ แต่เขาพูดเนะี้ยแต่หาหมอหมอเขาบอกคุณจะตายเนี่ยห้องเรียนฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องไปยังเฉยๆอยู่ยังฮัตี้อยู่ใช่ <c oughs> นี่เป็นหน้าที่ของสังขารแต่เราสามารถแก้สังขารได้เพราะสังเอ็ม ส, สังขารและวิญญาณเนี่ยวิญญาณโดยเพาะอนนี้อัญญ น, น, น, นี้สัญญาเนี่ยต้องเห็นสัญญามันก็ไปจําผิดถูกตามมาผิดเช่นแตว่าร่างการนี้เป็นเราเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กสมบันถูกวิชา โมหะของมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วเพราะอาการกก น, นี้เป็นตัวเราผิดของเราอันนี้ก็เป็นสัญญาที่ไม่ถูกว่าที่เรามาฟังเทศต์ธร ง, งนี้เรื่องมาแค่สัญญาที่ถูดอริยานี้เป็นสัญญาที่ถูดธรรมะนี่เป็นสัญญาที่ถูกตรงตามความเป็นจริงถ้เหนื่อยวิปัสสนาเป็นไปตามความเป็นจริงยุทธจ้าเห็นจริงตามความเป็นจริงเรียกวิปัสสนาถ้าอริยานก็คือหลวง เหมนหลความจริงไม่เห็นความจริงเห็นตรงกันข้ามเห็นกับการระบาดเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนไม่เป็นตัวตนเห็นี้ความถาววในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งไม่ไม่ถาววเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นความทุขนี่คืออภิชามองหาความเหลงที่มีในใจพวกเราทุกคนพอเราหยิบลิ้นต่อหาความสุขอยู่ตลาดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวไม่กนกับแมลรเม่าที่บินเข้าเกาะไทย เรารู้ว่าฝัานี้มันร้อนเห็นแสงสว่างแล้วเทื่อวเสืยงานสนุกเพลิดเพลินพอไปเอามาแล้วนี่ก็เอาเอาความคิดมาแบกบก็ไปได้สามีได้ภรรยามาก็แบบกแบกความทุกข์กับสามีกับภรรยาพอได้ลูกได้อะไรก็แบกต่อไปเนี่ยเรียกว่าโมหะวิชากินต้องเข้าวัดตั้ทงทฤษตังธรรมเพื่สอสัตว์ปั แต่แล้วก็ถ้าเราไปปฏิบัติมันยากตรงปฏิบัติมันฟังมันง่ายแต่พอเราปฏิบัติยากแน่เลยเหมือ น, น, น, นคนติดยาเสพติหรือว่าอยาเสพติดนี่เป็นเป็นเป็นสิน่งที่เป็นโทษมากก่าเป็นคุณแต่ก็เลือกไม่ได้พอถึงเวลาพอถึงเวลาตัดสินนี่นอย่างกกาจสั่งก็ต้องมีความกล้าหาญ ต้องกล้าทิ้งมันไปต้องหนีมันไปถ้าอยู่ใกล้มันแล้วเลิกมัไม่ได้จนเรารู้ว่าเราติดอะไรเนี้ยเราต้องตัดใจแ้เหมือนพระพุทเจ้าทรงรู้ทรงยัง้องติดอยู่ในพระราชฐานอยู่ก็อยู่ถึงเราอยี่สิบเก้าทั้งที่รู้อยู่ ม, มันมันมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่ไหนที่สุขก็ได้จังหวะมีมีบวกขึ้นมาเพิ่มมีการ ตอนนั้นต้องจับมี้จาบอย่างเตอนนี้เมื่อก่อนนี้ความทุกมันแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นตอนนี้มันเป็นสองเท่านะมันมีความพุกเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปสวายหามันลำบากไมนได้ร้องเายนลำาลยลบาเตอนนั้นก็เลยใจเด็กใจเด็กเดี่ยวที่ไปเลยคนที่ไปงันน่ะมันลำบากนะคนที่จัดเทศืคาลาวา่จนั่นนี้ไม่ใช่ของง่าย ต่มาก็ผ่านมาก็รู้อยู่หลวงตาเล่นก็พูดมนาะว่าเวลาจะเวลาจะบวชนิดนี้เหมันจะไปตายอย่างนั้นอ่ะตอนแรกต้องบอกนะถ้ามันจะตายเพราะการบวชก็ยอมตายวะเนี้อข้อดีอ่านที่ประวัติที่เ่าทขาคัดลอกมาให้ให้ยาเล่าถึงเรื่องตอนที่บวชถ้ามันจะตายเพราบวชการบวชถ้าตายก็ยอมตายยมายยมเสียสละเพื่อทําประโยชน์ให้กับ ให้กับบิดามาั น, น, นการรัการสละการตายทต่างๆหล่นี้มันเพียงไม่ใช่เป็นของอ ง, งา่ายๆไม่ใช่ของเรื่องแต่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างย่งเราไ ม, ไม่ควรที่จะอย่าอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเราควรที่จะที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญและ เ, เ, เป็นเป็นเป็นเกียที่เราพยายามใส่เก้าทําให้มันให้ได้ มันไม่สุดวิสัยของของพวกเราที่ทํากันมันเป็นอยู่ในวิสัยเห็นแต่ ว, ว่าเราจะกล้าพอที่จะทําอะไรไหมถ้าเรายังไม่มีกําลังพอเพื่อพยายามบ่มไปก่อนพยายามพยายามสะสมกําลังจะบุญบารมีบางทีมันยังไม่แก่กล้าพอเหมือนกับผลไม้ที่มันยังไม่สุกเต็มที่ มันก็ไม่หลงมาจากลงมาจากขั้วผลไม้มันก็ต้องอยู่เด็ดถั่ต้นไปก่อนเพื่ขขวา่ามันจะสุกเต็มที่นะมันมันก็จะหลดุดออกมากเองพวกเร า, าก็เป็นเหมืนผลม้แล้วการการที่จะให้มันสุกเต็มที่ก็คือเราต้องหมัน่นจับของบารมีทางเส้นทางบารมีถึงบารมีในธรรมบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีเป็นต้นวิญญาบารมี ขันติบาลนี้อธิฐานบาลนีสุือานตั้งใจคือพวกเราได้ตั้งใจแล้วจะทำดีกันทุกเดือนหนึ่งครั้งต้องไปทำดีดีเียว่าปิฐานบาลนีแต่ควรจะเพิ่มัม่นมากขึ้นเป็นสองเดือนละสองครัง้งเดือละสามครั้ง้มันมีมากขึ้นแบอาจจะไม่ได้มาในรูป แ, แบบนี้ก็ได้เือ <c oughs> เดือนอนึงมาแบบนี้แต่ จะช่วงเดือนเดียวกันอาจจะการขายเดี table, ่ยวบ้างไม่จำเปนจะต้องกลุ่มกลุ่มกันมาอย่างนี้เราว่างวันไหนแล้วก็ไปวัดของเราไปอยู่วัดไปบางเเพนท้าตอนนี้เรื่อยเรื่อยแไม่ช่าก็เร็วเพื่อจะต้องออกเลผลิตได้เราเห็นุบาสิกาทั้งหลายที่เขาด้วยกันเขาก็ทาแบบนี้เขาก็ค่อยๆระหยัดไไม่ได้ว่าเขาจะ จะทําได้ทําปีกันได้ยกเว้นบางครั้งที่เยได้จากของบุญนานมีมาามากหอดแล้วคุณแม่แก้วนี่ท่านก็รู้สึกว่าท่านมีบุญนอนมีมาแต่ลังเลมีมากนั่งสมาธิั้งหน้าพท้องนาข้างน้างจิตกระโจนก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตกระโจนที่ว่านอนหลับขันไปนั่งก็นั่งิตของท่านไม่อยู่นิ่งติเฉยออกไปรับรู้เรื่องราวต่าง แก็โชคดีที่ตอนนั้นมีคุ้มบ่านอยู่คุ้มั่นท่านละครนี้ก็สอนอยู่แต่หลวงปู่ท่านเห็นว่าจิตของท่าขอ ง, ง, ง, งของคุณน้าแก้วนี่เป็นจิตที่ผาดผลมันไม่เป็นจิตที่สงบแล้วไม่หยุ่เฉยมันเป็เล่นเรื่องาารตา่างๆซึ่งอาจจะเป็นท้คุณและเป็นโทษได้เร า, าเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติมันท่านเรียกว่ามันเหมืนเหมือนกับงูพิษงูพิษถ้าเรารู้จักวิธีจับมัน จับมารีดพิษแล้วก็สามารถเอาพิษมาทําเป็นยาป้องกันพิษยาได้แต่ถ้าเราจับมือไม่เป็นจะอาจจะถูกมือกัดตายได้เวลาจิตสมดแล้วออกสนับรู้เรื่องนาฏกรรมที่เรียกใหนเมื่อออกเป็นนินิ้วของคุณแม่แก้วนี่ส่วนมากเลยหรือว่าจะชอบนิ้วมิถัคนตายเตะที่ตายกัแล้วจับพิ่ตายกันแล้วจะมาปรากฏมาเล่าเรื่องราวการับให้ตายแล้วบางทีก็รู้อย่างเรื่องหลวงที่หลวงปู่แม่นทันวรณภาพ เในเป็นที่ท่านอางคุมะนอร์นะท่านน้า แ, แก้วท่านจะรู้ก่อนที่ท่านก่อนที่ข่าวจะมาถึงที่หมู่บ้านเพราะวันนั้นวันก่อนหน้านั้นท่านจะตัดทิ้งตายแล้วจะไประจ่าหลวงปู่นั่นจะเปลียนตัวนั้นวันนั้นคืนนั้นพอรุ่งเช้าเขาจะออกเดินทางก็ไม่ต้องไปแนละ้วเพราลงคุมนั่นท่านมาเข้าในมาปรากฏในในสมาธิของท่านบอกว่าไม่ต้องไปเยี่ยมเราละตายนะ ต่นนก็ร้องผม้องง่คนเดียวไม่อม่อฉไม่คือต่างๆก็ไม่เข้าใจก็้บอกว่าไม่เคยนี้น้องคือมันเท่านั้นมาไล่ถามว่าท่านจะมรณะเขาแล้วถ้าพอใส่ายคนงามเพอเพราะเราถ่าวลรวแก้ให้ทราบสิ่งเหานี้มันไม่เป็นมรดกเท่นั้นเองมันไม่เป็นมันไม่เป็นปัญญาที่จะไปกาจัดความโลภความโกรธความหลง ถ้เาเป็นยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นั่งแล้วก็อยากจะไปสนใจนี่ก็เหมือนกันเรากดดูโทรทัศน์นั่นแหละแล้วก็ติดดูโทรทัศน์ติดดูละครพอหมดเรื่องนี้ก็มีทเท่าไหร่มาให้ดูต่อมันก็ไม่ไม่จะไปไหนไม่เกิดปัญญาทางการดับมันก็ติดละครก็ติดโทรทัศน์ถ้านั่งแล้วไปไปเห็นนินดๆแต่กๆแล้วไปพอพอใจกับนิดๆแบบนี้นั่นก็จะไปติดนั่งทีไรก็อยากไปเห็นอยากไปดูเรื่องงานเหล่านี้ ไม่สนใจที่พิจารณาสุภะสุพังไม่สนใจพิจารณาเกิดแก่เกิดตายมันก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่คลายอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นในขนะันท่ารับาไม่คลายอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นความทุกข์ก็ในดนขันท่ามันก็จะต้องมีเวลาแก่ก็จะถึงแม้มีสมาธิก็ยังจิตใจก็ยังสับสนมึนลอยเวลาเจ็บไข้แม่ปวดก็ดดยกังสักสนมึนมเราเวลาจะตายก็ก็เหมือนกัน ถึงแต่ว่าอาจจะอาศัยกำลังของสมาธิสมงบมันบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ใ น, นขณะที่ไม่ไม่ได้สงบด้วยสมาธิมันก็คลิกทุ้งท่านไปสรางควคลื่อนขึ้นเพราะฉะนคนที่มีมีจิตแดนนี้ถ้าไม่มีกูบาลานนี่ก็อาจจะหลงทางนน ไ, ได้ได้ถึงมาถึงถึงทีถง่ถึงนี่ละมันมันกำลังามาถึงถึงถึงหน้าลานละ คั้ น, นี้ก็ไปในร้านแล้วหยิบข้าวหยิบของที่จําเป็นเอาไา้ใช้สอนกลับไปดูเร่อของที่เขาขายอยู่ตามหน้าร้าน <c oughs> ไม่เข้าไปเอาชือของที่จําเป็นมาใช้ให้เกิดประโยชน์พ อ, พอตายไปมันก็อาจจะไม่กลับมาเกิดมาอาจจไม่ได้เจอตากเป็ น, ปนาพิษยาอะไรอย่างภาพจางของรูปของพระพุทธเจ้าที่ได้ตายไปสอนพระพุทธเจ้าได้ตัดใจ ถ้าเขาอยู่แล้วมีโอกาสได้ยินได้ฟังวิปัสสนาธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าที่เป็นวิปัสสนานก็จะสามารถทําให้เขาขึ่งฝึกแห่งการยืนร่าจากไปได้ก็เป็นบุญของพวกพระบรรจาวครีดที่ทยังไม่ตายแล้วก็ถึงแม้จะขึ้นพระพุทธเจ้าไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าไปอยังมีความเมตตามีความเยื่อยใหญ่ไม่ไม่ไม่โกรธไม่เกลียดที่เขาทึ้นเราไป ถ้าเป็นผู้ถือธรบัตรนี่ถ้าลูกน้องที่เอาไปด้านเรากลับไปหาลูกน้องไหม <S <S <S <S ไม่ไปอลยนะมันอยากจะไปก็เรื่องของมันอันนี้ท่านก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากคือใครบ้างที่จะหยุดทุงจากการคิดได้ไงานใครบ้างที่เจนได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคาสอนอย่างกระเสริฐแบบนี้งไม่ใช่ง่ายต้องพิจารณาไม่มีโอกาสมันต้องเป็นท่านพิจ้า ถ้าเกิดท่างเกิดในสมัยที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เคิดว่าท่านก็คงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นไปก็เสียเวลาเพราะผล ม, มันก็เท่ากันเป็นผ้าหันมันก็จิตบริสุทธิ์เหมือนกั น, นกคาวามโลกความโกรธความหนุมันก็เหมือนกันถ้าหมืกับหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็มีจิตมีจิตอมีมีความหวังในพุทธภูมิอยู่แต่มเมื่อมาเจอคําสอนเรื่องอะไรนี้นต้องไปเสียเวลาไปคุดคุยหาทางเมื่อมีทางเหนื่ออยู่แล้ว ท่านหญิงองมาแก้ไอตัวตัวความปากนานี้เมื่อท่านแจ้ไอตัวนี้ได้แล้วท่านก็บำเแผ่นเรียบๆท่านก็วางเรียบความความโดยสุดของจิตใจของพระพุทธเจ้ากับของข้าหันเสาลงนี่เหมือนกันไม่มีแตกต่างกันเหมือนเชื่อสองตัวที่เราไปซักในในเครื่องซักเครื่องเดียวซักพร้อมกันในเวลาเดียวกันเวลาออกมามันก็ต้องสาข่่่่่ แต่ว่าถ้าฟังทางโลก เ, เ, ลเกเีเยรติเทีเทเ่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันเท่กว่ามันเก๋กว่าเป็นเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ในรหรัสนี่เป็นเพียงสารกเป็นเป็นลูกศิษย์เท่านั้นเองแต่เรียนจเปริญญาเอกเท่ากันธรรมดาเพียงแต่พระพุทธเจ้าเรียนเองไม่มีใครสอนแต่พระสารกนี่ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนถึงจะเรียนได้คือต้องมีตรงเรียน เห็นจะเหงนจะเลียงเป็นยานี้ได้ตอนนี้พวกเราก็โชคดีนะได้เจอโรงเลียงที่สอนในระดับเร็นยานี้เราจะเอาไม่เอาเท่านี้คือตัวเราแต่เราทําตามฐานะของเราจะ่าอย่าหยุดกันล้วกันอย่าแล้วก็จะ่มองสูงกว่าที่เราเอื้อมได้เพราะมันจะทําให้เราท้อใจ เอาแค่ส่วนขึ้นมันเลาเอื้อนได้ตอนนี้เราทําอะไรได้แล้วก็ทํามันสูงแล้วพยายามถ้าถ้าว่าพยายามยืดตัวใหวออ้มันสูงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ไปได้หยุดส่วขึ้นมันสูงขึ้นเปนิดนึงถ้ายืดไปเรื่อยออๆต่อไปมันก็จะย า, ยาวขึ้นไปนิดนยงอย่าอย่าพอใจกับเพียงแค่นี้ก็แล้วกันอย่าพอใจกับสิ่งที่เราทําได้ตั้งพยายามยืดไปสักนิดหนึ่งถ้ายัางไม่เคยรักษาส่วนห้าเลยกลองรักษาอยู่บ้าง รักษาได้บ้างนะแต่ยังไม่พบทุกวันก็อาจจะให้มันดีมากเพ่อ <c oughs> พยายามขยันหนกกันเรื่อยๆในเรื่องท า, ทางศีลภาวนาเคยทำบุญเคยทำยุญครั้งละสิบเปเซ็นต์ต่อไปก็อาจจะเอาทัางยี่สิบเอร์เซ็นตของกําลังชักศีลของเราอย่างนี้มันถึงจะมันถึงจะไปได้ไมั้นมันก็ยืนอยู่กับที่มันก็ยังมีกว่าไม่ทําเลยถ้าไม่ทําแล้วมันก็เหมือนกับเดินไท่เลย ถ้าเราทำเท่าที่เราเคยทําได้นก็เหมือนกับรักาาษาฐานไว้รักษาสถานภาพไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะเลื่อนชั้นเลื่อนยศขึ้นไปก็ต้องเพิ่มความเบ็ดเสร็จที่เราทําอยู่ให้เรามีมากขึ้นให้ทานมากขึ้นรักสิร์รักษาสีรให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นตดความไม่จําเป็นทั้งหลายให้น้อยลงของผู้เคยทั้งหลายก็ตัดไป ความสุขรูปเสียงจิตแล้วดพระก็ตัดไปพอทักจะดูหลายายเรื่องจะลดลดจำนวนเรื่องดูหน่อยอะไรเหล่านี้มันต้องทําั้งสองอย่างควบคู่กันไปทั้งเสรียงก้างและทั้งรถละเียถ้าทํานี้แล้วมันก้าวหน้ามันไปได้เรื่อยๆแล้วพอมันเริ่มเห็นผลเริ่มสัมผัสกับความสุขในใจเรื่องขอความสบายใจขึ้นเมื่อก่อนนี้ติดนู้ติดนี่ล่งลังไปหมดตอนนี้สจะสบาย ถึงเวลาไม่ได้ดูละครก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ามาื่อคือธรรมะฟังเทศคุบาอาจารย์แบบีนทางศึกมากกว่ามันก็จะทำให้เรามีกำลังที่กำลังใจที่จะไปในทางนี้มากขึ้นแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ได้ออกหัวใช่หมเมื่อเสรไม่ค่อยชอบเลยนะพ่อ เราเรารู้สึกว่าทุกขเวทนาเลยใครพยายามจะขจัดออกในสุเวทนานี้มันเหมืนอนติดอยู่เนั้นเลยไปยอมไปมันก็เหมือนเราขนาดเมื่มอฝ่าเนี่ยเคยขนาดเมื่อามันก็จะชอบใจเมื่อฝ่ามันเป็นนิสัยนะโอ้โทุกเวทนาเราชอบทุกเวทนามันก็เป็นเป็นิสัยเราไม่ชอบทุกเวทนาแต่เวลา เจวทุกเวทนามันก็ผ่านไปได้นนะี่ยเจ็บแค่ได้ป่วยใช้สาหาาั้นมันก็ผ่านไปไดน้นอนฟลมอยู่ในบ้านสันกพัหนึ่งมันก็ผ่านไปได้เหมือนกันไปแล้วท า, าน่านทุกข้อมาจากแต่ถ้าเราแบบว่าเราชอบทุกเวทนาชอบเจ็บค่ได้ปวยมันก็ผ่านไปด้วยความสุขแล้วช่วงนี้ได้พักขอนอย่างเต็มที่ <c oughs> ด้วยแต่กินกั่นอนอย่างเดี่ต้องทำอะจะมาว่าเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่ชอบเลยถ้าเราชอบมันจบจะตายเลยคิดกับข้างนิดหอึ่้องพยายามหัดชอบทุกอย่างที่มันที่เราจะต้องเจอกัอะไรเราจะมีคทาเจ้าการเจ็บแคได้ปวดชอบการแก่ชอบการตาย เนื่องจากเระไม่ต้อวิ่งมาหามันแต่เราว่าการเป็นมหาเราเราก็ไม่ต้องวิ่งหนีมันที่เขาเปิดศุกวิทยาศาสตต้องดูดข้างอยู่ด้วยต้องอยาดุเรา้าเราจะถู้ว่าสุกมันมันสุกเพื่อทุกก็ได้เพราะมันไม่สุกตลอดมันถุกว่าวเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันทุกข์เพื่อสุกก็ได้มองถ้าไม่มีทุกข์มันก็จะไปสุกได้ยังไงถ้าไม่นสุกมันจะไปทุกข์ได้ยังไงเพราะมันต้องสลับกันไป มันมองง่ายๆดี๋ยวคือว่ามีทุกกรดีกัน่ามันจะได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวจะได้สุดในสุดเ ข, ขาไม่ดีเพาเดี๋ยนเดต้องทุกข์ดแต่ที่ตรงนี้ไอ้จีแก่ทีท่มีจิต โ, โรคโทนะฮะทุกทุกายทุกคนนี้จะต้องมีจิตโรคโท น, นนะ่หรือว่ามี น, อน้อยแ่กหนะ้าเปอร์เ็นต์้อถ้าแต่น้อยบางอย่างแค่จมไม่มีอะไรแบบ สบายเงี้ยนุ่มนิ่เฉยก็มีอะไรปรากฏมาเห็นบางบางคนนี้มีนี้ไม่เกิดขึ้นเยอเวล้เพราะเพราะร้านภาวนาแต่บางคนไม่เคยเกิดเลยอย่างเนี้ยมันธรรมะมัเป็นอย่างไงนะมันท่าว่าเป็นพูดมันก็เป็นเหมือนนิสัยเนี้ยมันจะเป็นเป็นที่เคยจากเห็นมาจิตแต่ละดวงนี่ได้ทำได้ฝึกได้อะไรมาผ่านมาหลายรัฐที่หลายอาจารย์หลายคืออะไร ถ้ามีเราเกิดมาเราเจอพุทธศาสนาข้าก่อนเนะี่ยมาอับเกิดมาไปเจอศาสนาที่เขาสอนให้เปบำเพ็ญเพื่อมีมิตรอ่างนี้ก็ได้เมื่อเช้มัก็มีคนมาพู่าเขาเจอแล้วเนะสียแงหนึ่งสอนให้นั่งเพื่อให้ตัวลอย ม, มันก็มีทำได้ยังเราได้สมาธิแล้วตัวลอยได้ก็มีหรือปู่เสาท้านนั่งแ้วตัวท่านลอยขึ้นมาก็ได้นั้นสิ่งนั้นนี่มันอาจจะเคยฝึกมาขออะไรย อาจพะคงจะเป็นคนส่วนน้อยที่สนใจเรื่องราวคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่ อ, องแบบนี้ครับถ้าเวลานั่งสมองตึกขนาดที่ไม่ค่อยมีอะไรเป็นเป็นเป็นเป็นทีเน่เศษเพื่อ น, น, นั่งแล้วก็สงบเงียบแต่ใจงดดังเราไม่ต้องไปฟังเรื่องของคนอื่นเือฟังได้แต่อยากไปเอาเข้ามาเป็นมาตรฐานเพราะว่า แต่ละคนนั้นมี ม, มีมีวาสนามาไม่เหมือนกันบางคนก็ได้อย่างหอื่นแทนบางคนก็มีตาทิี่สามารถติดต่อกับผู้กายทิพย์ได้แต่คุณแม่แก้วนี่ก็ติดต่อกับผายทิพย์บางคนก็เล่นรชาติได้บางคนก็อ่านจิตใจของผู้อื่นได้หลวงปู่ม่นมานี่สารอ่ า, านจิตใจของของคนอื่นได้ ท่านหลวงปู่ทานท่านได้หลายอย่างนะท่านจะสมทนากับับพวกเทวดาอย่างส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกที่เป็นปัญญาลงสมาธินี้มกกักจะไม่ค่อยมีมีเรื่องยาวขนาดพวกปัญญานี่จะไปเจ้าพวกก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติจะไม่ค่อยอยู่พวกพวกอิกิลิตอาขนามในเหมือนพวกเกี่โตวิมุตติพวกที่ได้ฌานได้สมาธิก่อน ใชก้การบริกรรมใช้การเพ่งอะไรต่างๆที่ให้เกิดความสงบตรวนี้มักจะถ้าจะได้จะเป็นพวกนู้แต่ก็ไม่ใช่นะควับทุกคนจะได้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นพวกที่แค้ปัญญานี้มักจะไม่ค่อยมีเรื่องราวทางด้านอิทธิฤทธิธนะ์เทเช่นพระสาวิุรี น, นี่ไม่เคยได้ยินว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์อะไรแต่ท่านเก่งมาก ท, ทางด้านปัญญา คือลอยจากพระพุทธเจ้าเลยเรื่องการแสดงธรรมเมื่อมีใครที่จะสลาะแ้งคมมีความสามารถทัญญาแยกอย่างละเอียดผีเพิ่มนั้นมันเป็นจริตนิสัทของแต่ละคนเจตโตไม่หมดปัญญาไม่หมก็เหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาคือการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นมันต้องมีทั้งเจตโตคือมีสมาธิแล้วปัญญาก็เสร็จ พัฒนาเพื่อจนหลดทอนได้ได้เวลาทำอะไรล้วก็ต้องใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาในการทํางานแต่เราเอาจจะถนัดมือขวามากกว่ามือซ้ายมือซ้ายมากกว่ามือขวาแล้วเก่งทางด้านหนึ่งแต่บางท่านอาจจะเก่งทางด้านสมาธิกว่าทางด้านปัญญา <g ười> ท่านจะได้สมาธิมากแต่ท่านจะได้ปัญญาช้า แต่ท่านที่เป็นพันธุนงปัญญาก็อาจจะนั่งจิตให้สงบนี้นั่งคิดไงนั่งไม่ได้บริกรรมพิทูลพิทูลไม่ได้ท่านต้องใช้ปัญญาเป็นตัวทำจิตให้สงบพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเรื่องราวต่างๆมันก็สงบพอสงบแล้วทก็ก้าวท่านต่อไปพิจารณาขันห้าเลยพิจารณาลู่พิจารณาปัญญาต่งานนงาอันนี้จะเป็นตัวรู้ศาสนาโดยตัวแต่ตัวที่ทําให้จิตสงบนี้มันอเป็น เกี่ยวกับเรื่องการจัดความผุกพันกับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ที่ขวางการทําจิตให้เราเฉยเว่านั่งแล้วคิดเช้าไปคิดถึงเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องสามีเรื่องงานเรื่องการอะไรต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาให้ปล่อยงานเมื่อปล่อยวางแล้วก็มันก็สงบตัวลง พอออกจากนั้นพอออกจากความสงบนั่นแล้วเราก็สามารถมองทัามันไปทางไปทางเป้าหมายที่เราต้องการให้มันไปได้ให้มันพิจารณ า, า, า ก, กรารแก้เหตุการพิจารณาก า, ารหาทิศต่อมันก็ังคับลงไปนี่มันเป็นแนวทางของปัญญาวิมุตจะใช้ปัญญาไปตลอดายแต่พวกที่เป็นเจตนาวินมุตพวกตอนตนี้เขาจะเขาจะ เขาจะพูดโทรูดโทแล้วก็รวมรวงจิตสงบอย่างคุณแมกเอาอนกอไปรับรร น, าานี้งาวต่างๆมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นและมันก็ไปไหนถ้ามันมีคราูาอาารยมาสอนให้ให้เลิก <c oughs> ไปสนใ จ, จกับไอ้เรื่องต่างๆที่ได้จากการนั่งสมาธิใหออกพิจารณาทางด้านรูปเวทนาปัญญาตารๆพิจารณานีสัยพฤติธรรมนักการในในในเสวียนมือ วิมุตโตฐานหลวง่มั่ น, น, นท่าก็เขียนได้ว่าเจตโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์นี่มันเป็นของคู่กันมันไม่ได้แยกทางกันอยากทุกคนเข้าใจบางคนคิดว่าสามารถวิมุตต์ได้ด้วยเจตคุณด้วยสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้สมาธิมันก็เป็นเหมือนพวกยืดหยุ่นช้ที่ได้ฌานสมาบัติเท่านั้นเองแล้วบางคนจะคิดว่าปัญญาวิมุตต์นี่ไม่ต้องมีสมาธิก็ได้ก็าไม่ใช่ เพียะแต่้องใช้ปัญญาทาจิตให้เป็นสมาธิก่อนให้เป็นให้สงบให้ตั้งมั่นก่อนถึงค่อยค่อยไปพิจารณาขันให้ดังนั้นมันต้องไปด้วยกันสีมสมาธิปัญญามันยากกันไม่ได้เพราะแต่การดาเนินมันอาจจะมีความหนักเบาตก่างกันไปข้งหน้าลแต่วางถนัดของจิตของแต่ละคน บางคนก็ไม่เข้าใจเลยที่ว่าอสนดรู้กันเรื่อยๆแล้วก็ทำได้ไม่เคยสงบไม่เคยนั่งให้จิตสนบเลยมันก็รู้ได้ก็มันก็ได้เพีงแต่การเจริญจิตให้รู้ว่าก่ลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่แต่เวลาเกิดมีทุกข์ขึ้นมามีความโลภขึ้นมาความโกรธขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำาัางสมกันรู้อยู่แต่มันก็ไม่ได้ เราต้องต้องใช้ปัญญาต้องใช้ดับมั น, บบ น, นปัญญาก็คือต้องเห็นการลักษณ์ในสิ่งที่เราไปเกี่ยวที่ทําให้เราโลภทําให้เราโกรธทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์เพียงแต่เราไม่เห็นมันเท่านั้นพอเราเห็นเงินกองที่เราจะได้นีหัวใจมั น, ม, นมันกระวนกังวายแนละ้วมันร้อนไปคิอว่าจะได้ความสุขจะได้เงินมาแล้วมีความสุขอยากจะมา้ แต่ไม่เห็นว่าเนี่ยมันทุกข์มันทุกข์เพราะความกังกวนกังวายถ้าตัดใจไม่อยากจะได้มันความกังกวลกังวานนั้นก็หายไปกระสับกระส่ายหายไปเฉยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นนไรได้มากระทานั้นจังหวัดใจมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นแต่จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะมันถ้ายังหลงมันก็ไปยึดไปติดไปไปรักไปห่วงไปห่วง เวลาจากก็เวลาจากกันร้องห่มร้องห้วยกในเรียนจะเป็นเพ่ได้จากการได้สิ่งศักดิยสิทแต่ไม่คิดจำไม่คิดารณาไม่เห็นกันเพราะฉะนั้นทางของทางการสิกษาลิดพ้นในนมำเงินหรือคนศึกษาที่ปัญญาซึ่งก็ยาอส่วนมาจากมรดกนั่นี้ สีนคืออาไรก็คือสัามมาทิฏฐะกาการยัารการะทาชอบสมมาวาจาการพูดชอบสัามมาอาศิเวการการทมาธิที่ชอบก็เป็นสีสัามมาที่์ก็เกี่ยวกับการบาเพ็ญเพียรเยามมารื่องมาอที่ความเพียรชอบแล้วก็ สติชอบการตั้งสติก็เป็นการฝึกทางสมาธิแล้วจะการทําจิตให้ตั้งมั่นเที่ยงธมะสมาธิสนีธรมะสมาธิหมายถึงทําจิตให้สงบให้นิ่งไม่ให้ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้าทําจิตแล้วพอจิตมันรวมแล้วมาออกไปรู้เรื่องราวต่างๆนี่เร่ยกว่ามิจฉาสมาธิไม่ใช่ธมะสมาธิธรรมะสมาธิมันต้องมีนัยองชาแนนมีวิตริการอุปถัมภ์ แล้วก็ขยับก็ไปเรือทีติดกระสุดแล้วก็เรือแต่ติดิดขาในที่สุดนั่นคือส ม, มาธิ <S <S <ส>ไม่ใช่พอจิตบนงแล้วก็ไปเที่ยวไปเห็นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอออกมาจากสมาธิจากนั้นถ้ามันไม่มีกำลังเกี่ยวที่เหมือนกับตอนนอนหลับถ้านอหลับสนิงไม่ฝันนี่าะตื่นขึ้นมามันสดชื่นมันมีกําลังวางชาแต่ถ้านอนแล้วฝันไป ยี่ฝันรายยิ่งดีไมนมีตื่นขึ้นมาไม่มีอากาศถ้าเหื่อยไม่ได้พักผอดนไม่นด้แล้วไม่ได้พักผ่อนติดก็แค่เนือยกันเวลาเข้าสมาธิแล้วไม่นีก็ไม่ได้พักไม่ได้ไม่ได้ชาร์จแบตเตรี่เพราะชารมันหมดไปใช้มันหมดไปกับการไปไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าหลวงพ่อมีธรรมาธรรมะสมาธิัำให้ชาสมาธิ สมาสมาที่ก็คือต้องสงบนึ่งเป็นเอกตาลงนมีอยู่เบลขาไมอยู่เบลขาถ้าถ้าเราแน่วกิตเราออกแล้วรู้เราต้องแก้เลยละเราต้องดินกลัมาไม่ปล่อยให้มันออกไปเดินกลับมาคือตัวเราดึนกลับมาหาพุทโธก็ได้หาอะไรก็าาได้ไม่งั้น ม, มันจะติดไปนิสัยพอมันสงนด ต, ต้อมมันก็จะออกไปแล้วคือแล้วมันก็จะติดในสมาธิมันก็ไปอยู่ท่านปัญญาไม่ได้ แล้วก็ขั้นปัญญาขั้นรีของสองสององในในของมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปรูความคิดความดมิชอบนี่เป็นองค์ปัญญาเห็นชอบเห็นนิยาเห็นว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ยเป็นเห็นชอบเวลาเราเห็นอะไรเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้่ยเราเห็นชอบพอเห็นชอบแล้วก็มีความดมิชอบเมื่อมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไปเอามาทําไม เราไปหยาดมันได้ ม, มาขนาดเราไปยึดกระติกมั น, น, น, มนขนาดแล้นก็ปล่อยวางปล่อยวางมันก็หลุดไปนั่นมาจากกับถิ่นสมาธิปัญญาทานถินภาวนานี่ก็เป็นมักเหมือนกันต่างากับต่างที่ฐานะของผู้ปฏิบัติเม่อทางถินภาวนานี่จะเหมาะเขายากอยู่ เพราะญาติยมยันมีทรักย์สมบัติเนี่ยยังรวยอยู่ต้องทําให้จนไปแต่ถ้ามิจนแล้วก็เลยไม่ต้องมีทางทางก็มีแต่สิ้นสมาธิปัญญาเพราะในทางในทางสิ้นภาวนามันก็มีสมาธิปัญญาอยู่ในทางภาวนาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราแสดงธรรมถ้าเราแสดงไป ให้เหมาะกับการรักเทกับเหมาะกับทุกคลที่ฟังเหมือนกับหมอที่ให้ยาคนไข้คนไข้เ ห, เหมือนกันโลกเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นเด็กก็ให้ยายาเนะม็ดหวานอยางนี้คนไข้วัดเป็ น, น, ปนอะไรก็ให้ยานมะ็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ฉีดยาเลยแต่ก็เป็นยาที่เข้าไปรักษากโลกกันเยอะแต่ยุทธีให้ยาต ก, กต่างันเป็นวิธีที่หลวงพ่อพุทธเจ้าให้ยา คาาวายาดเยี่ยงกับให้ใยากับบรรดาิตนักบวชเอมไม่เหมือนกันของตาเวลาเทศให้ยาย่ยงฟังจากเทศนั่งศรัทไม่เหมือนกันเพราะยายียงาไปฟังเทศที่ท่านเช่นี้เโอ้ท่านเขียท่านเที่ยวท่านเขตกบเขะมามท่านทุกท่างตีทั้นเตะท่านต่อยแต่ถ้ายายีก็ไปแบบบาๆหน่อยเพราะยาเป็นเป็นเทศที่ยังยังอ่อนมายง่ายอยู่ ไปพูดอะไรแรง ๆ, ๆแล้วเดี๋ยวก็เจอไม่กลับว <laughs> <laughs> ่ะบางครั้งมันแก็อยู่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวที่นักเจรจานักต้องเจรันให้มากจะทําไปก็สรุนอกระดับมาอย่างที่เราทาั้งวันอยู่มันมีทางมันมีทางแก้ตัว ม, มีข้อแก้ตัว ถ้าแก้เจอว่าเสีงโเปต็นที่มีทางหลุดพ้นแล้วยังพยายามจะดิ้นออาใจทางหลุดพ้นอีก้าเป็นปลาก็เหมือนเขาจะจับไปกอนทะเลแล้วยังจะดิ้นกลับลงไปในหม้อแกงอีกข้าบ <c oughs> <c oughs> ดีที่อาจารย์บอกว่าพยายามเอื้อให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆไงไม่งั้นอยู่ที่เดิมมันไม่ได้เอื้อขึ้นเรื่อยๆของดมันต้องยากแต่มันททุ่มเยู่ทุ่มกับอางรลงทนวันนี้อจรย์ใจมากเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไปตบพระองค์ท่านอธิบายแล้วท่านอาจารย์มาอธิบายละเอียดเพิ่มขึ้นดี เป็นรื่องเรื่องที่ตำนานเนี่ยเพราะว่าท่านท่านปฏิบายเรื่องลูกำนามแต่ว่าท่านจากได้แก้ให้ละเอียดลงไปตั้งใจลูกทต็มเต็มทำอะไรทำทางแต่ในที่ตั้งใจลยไม่ต้องหาพรจาตัวหาบ้างยังวะ วันละกนร้ารนนะรท่าน exactly อาจารย์้อยู um ่นะผันนี uh ่เพิ่มเพี่านนียน้นาจารต้องาสีในอะไรนะสีเพื่ออาจารย์นะ่ยองาำลังใจกำลังใจว่ามีคน โยมมาใส่บาทตรงคนแล้วยมทะเลาะ ก, กันไงเดี๋ยวคนเราต่อนมกันพอดีมาเจอหน้ากันดีกดไม่ได้ขนาดใส่บาทเร่งดาแล้วขนาดนั้นขนาดตอนหน้าท้าเนี่ยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเวลามาเจะคู่กรณีแล้วมันมันขึ้น สอขึ้นอย่าเงี่ยขนาดถ้าเรานั่งอย่างนี้ถ้าเกิดไปเจออะไรนั่งอะรเท่ามันก็มันมันก็ปานเหมือนกันหลังจากถ้าเราเคยเกิดมาแล้วสามารถคุมใจได้คุมได้แต่กูยังกลัอยู่ทุงานคือเราก็คุมได้ในระดับที่เราเราทํามาแล้วผ่านแล้วแต่ระดับที่เรายังไม่ผ่าน ย, ยังไม่เจอนี่เราแต่ยัง คุ้มไม่ได้เพราะือคเราก็ยังไม่ได้ไปไปชชนกั น, นไปเปิดโอกาสให้มันโผล่ขึ้นมาสองไปทีทลา ก, กันีคงไม่รู้ตัวนเขาไม่รู้สึกตัวแหละว่ามันมันพอมันมันรู้ว่าแต่มันมันรู้จาบคน ม, อ, มองรู้ไมก็คุ้มไม่ได้แล้วก็ไม่สนใจแล้ว <c oughs> เรื่องกอารละเทีเรื่องฮิลิโอตะปาเรื่อง <laughs> ย้นค่วมนันหมกนะตอนนั้นนี่เวหาใส่บาตรขอไม่ไดบาตรให้แต้แป้งนี่ก็แล้วก็แล้วก็ทตาเฉยๆดูยมของเรื่องพอเสร็จแล้วก็ใครเสร็จแล้วก็เล่มดันตจไม่คิดอยากจะไล่ห้ามเพราะร่งห้ามก็ไม่เกิดประโยชน์ ยังไมนยุติการมาลคพ้อยังไม่ยุบท่านแคืผู้สรงแต่งฝ่าธรรมมาเพราะว่าเออนั่งอยู่ในป่าช้าเนี่ยนะนานไปแล้วที่เกิดความกลัวเกิดตันนี้ท่านแก้ไนค่ยทุกที่กิดเป็นงูหรือว่าพิษกันเยอะ แล้วแล้วบางทีพุทโธก็เอาไม่ลต้อง้ปัญญาพวทธงใช้ใช้ใช้ความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องตายทั้งหมดยอมเสี่ยงตายอ่าต้องตายตาดับไม่กลัวกับตายแบบกลัวนี่ต่างกันตายแบไม่กลัวนี่สบายกลัวนั่นแหลต้องตองกลัวกลัวทางกลัวนี่แหละก็คือตัวทกตัวที่เราต้อง อยากให้ได้กลัวก็คือวิปาสตัตงหานเขาไม่อยากจะเจอจกับสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวขนมแต่บ า, างทีเราก็ห้ามไม่ได้ชี่ของคนเราบางทีก็ต้องจะเจอกับสิ่งที่นั้นที่ททพระท่านไปอยู่ในตาในเขาก็อยู่ใกล้เสียใกล้ศาสตว์ก็เพื่อที่จะไปกระตุ้นกระทุ้งให้ให้ตัวความกลัวนี้ออกมาแล้วใช้ธรรมะคือวิปัสสนาวิปัญญานี้เขาาา้าไปแบบนั้น แต่เริอมต้นท่านยังคิดพิจารณาไม่เป็นท่านละให้ให้ใช้พุทโธไปก่อนเดี๋ยวถ้ากลัวเข้ามากนี้ก็ฝากเป็นฝากใจไว้กับพุทโธเลยไม่ส่งความไม่ส่งใจไปรับรู้ถึงเสียงที่กลัวเพราะว่าเห็นเห็นเสือเห็นงูมันจะเข้ามาเรื่อยเข้ามากัดแล้วก็หลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธัปมันก็ใช้อุบายสมาธิ ถ้าได้การอุบายปัญญาแล้วอกว่าเกิดมาแล้วต้องตายนี่ยอาจจะเป็นวันที่เราต้องใช้มีดเกับเมื่อก่อนลราเคยอาจจะท้าคเข้ามาก่อนอย่างนี่เข้าจะมาเชีวิตแบบนี้ไเมื่อเราก็เคยไปเจรียบเสมอแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เช้นเมื่อเวลานี้จะเกิดขึ้นแล้บก็ยอเพราย่มแล้วติด <c oughs> มันจะหายกลัวมันจะสนบนิ่งความกลัวหายไปหมดเลยกลับกลายเป็นความเมตตา คุ ย, ยันมันได้สบายเลยมันก็ไม่ได้ทําอะไรเราแต่เพราะความกลัวของเราเราคุณสังขานคิดปรุงใจจางใมื่อไงดังนั้นบางที่มันอาจจะมาขอของของความเมตตาหรื่องอาจจะมาทําความรู้จักกับเรก็ได้ <c oughs> แต่เพราะความกลัวของเราไม่เอาไม่เอาเอย่อางนะี <c oughs> ้ครับถ้าสังเกตดูคนที่ต้องไปหาจับเนี่ยคนญย่าท่านก็ต้องทําใจให้นิ่งให้เฉย แล้วก็ค่อยก้าวเขไปจะก้าวถึะก้าวฮแล้วเกิดอาการตกใจกลัวขึ็นแบบแล้วเดี๋ยวขเขาพอเรู้ว่าเราไม่เป็นทิ่เป็นภั้ว เ, เขาก็ไม่ทอาอะไรตอที่จาเดินเดินการทางแล้วเจอเนยเนยที่ก็ยืนที่เฉีงมันก็เห็นเรามันก็มันก็นิ่งเฉ่เอยู่ทักต่างกาย่างมองกันน า, า, านเดียวสักคู่มันก็ไปมันก็ไป เคยแต่เป็นเป็นเรื่องผิดวิสัย่ะเพราะว่ามันมีเลที่มันเล็ก่ไดลยสายสายการทาเด้วอตอนนี้เดินลงไปจะไปเป็นสบายเมื่อก่อนไม่ไม่เล็เพราะพอออกจากแนวป่านะพอให้เดินอยู่นท้องโลกก็ไม่ค่อยคิว่าจะมีมีก็เลยไม่ได้เกิดสายสายก็เดินไปแบบ่านสายแสงสงแสดาวแสไพอเห็นบ้านก็นะ ก็เดินมาต้องถือกตีก็ไม่ได้เจอพอวันนั้นไปโดนไปเจอแต่เราก็ไม่กล้าว่าเป็นเป็นงูเพราที่เเดินดินเตะตีไว้เข้าดนเตะหลมเข้าก็เลยฉายฟดูก็เห็นเป็นงูเลกๆน่ยาขนนี้ตัวขนขนานแต่ยาวาดดูก็รู้ออกเป็นงูกระาก็แต่รอยที่มันขัดเข้าไปเหมือนกับเห็นเหนแทง เลือดเดียวแล้วก็มีเลือดจุดๆเป็นยางอยู่จุดเดียวเองพันนีตอนนั้นอยู่ใกล้ๆกับบ้านของคนที่เขาอยู่คับที่ตีนขาปอาตมาแล้วก็งทัพก็ดื่มเลือดออกมาก่อนดื่มแล้วก็เดินไปที่บ้านเขาปกเขาว่าให้เพื่อพาไปโรงพยานาลเพราะมันเริ่มเจบแล้วมันก็เลยเดิ่มไม่ค่อยได้พิธมันทําได้แล้วเด็กเขาก็เป็นชาวานเาก็บอกว่าอเอา ามะนาวที่ปลูกไว้ก่อนมนเพื่อหยุดพิษได้ mm hmm. แล้วก็เลยผามะ า, าวแล้วมาปกไปแล้วก็รีบพาไปาาโรงพยาบาลไปถึโรงพยาบาลเราก็คิดว่าเขาจะรีบมาเอาอยุงเอายาฉีดเขาก็จับีทีเฉ๋ยปอยแล้วนอนหยีเฉอยทำน้ำเกลือมาใส่มาใส่แล้วก็หยีเฉย๋เนอนอ ย, ฉยมม แ, แ, แล้วรักษาแล้ ว, มล ว, ลวไม่ทาอะไรเลยเขาบอกว่าเพีตวรวจเลือดดูก็พอโอ้ เพราพิษยาเนี่มันมันมันไม่ตายจริงจริมันไม่เหมือนกับมันไม่มันไม่เหมือนคือมันที่เขาบอกก็ไม่ให้ยาจริงเพราะว่าเนี่ยเขากลัวให้ยาแล้วเกิดคนใช้ยามันจะเป็นพิษมากกว่ามันต้องแล้วยาไอพิษยาตัวนี้ยามันพิษนี้พิษของงูดะูชนิดนี้มันไม่ได้ไปทําลายตับยังไม่ได้ทําให้หัวใจหยุดเต้งมันเป็นพันธุ์ลายเลือดคือมันทําให้เลือดไม่แข็งตัว เลือไหลไม่หยุดถ้ามีแผอะไรเนียถ้ามีแอยู่ในกระเพาะเลืออะไรนี่ยมันก็ไหลไม่หยมันไม่ถตัวอย่างเขาเขาเขาบอกว่าหมอสั่งว่าคือเขาคงจะโทรไปบอกไ้ยอกหมอแล้วหมอสั่งว่าให้เช้ยูสั่งน้ำเลือดเลือดมันแข็งยังแขงตัวอยู่ส็ตามยาอะไรางๆมาเพรบางที เขาคิดว่าถ้ามีอพิษจากการเช้ามืดนี่มันอาจจะพิษอะไรเพราะว่ามันออกเ้ากินทั้งคืนนะมันมันกับจับอย่างอื่แล้วพิดอาจจะมีอยู่ดน้อยอยู่ก็อาจจะร่างกายก็อาจจะสามารถรับเรื่อาจัหมันได้แต่ก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังตอนนี้เราก็กระสักระส่ายไม่ใส่เนาะทำไมไม่ทำอะไรใจหนึ่งก็ต้องป้อว่ากขางหรวเราบ้องเลยแต่เราเป็นน็เป็นเราเป็น ก็มาเห็นวาเป็นเป็นก็ปนะเดอตั้งใจเดือยรู้จัยกรู้่าเป็นยางูทะเลหรือเปล่าถ้าก็ได้จะจะได้ไปบอกหรอว่เขาได้ากรารูปงูมาให้เดืแล้วก็พี่่อนนี้ก็เลยเขาบอกว่าเขาเอาเอาเรื่องไปตรวจดูมันก็ยังเป็นปกกรอยู่เพราะพิษทึ่งเข้าไปด้านใน แค่เป็นงไม่ถึงขึ้นชั่วโมงมันยังไม่ยังไม่ได้กระจายไปทั่วมันเข้าทางนี้แล้วเข้ามาเจาะเลือดทางนี้มันก็ก็แต่ก็รอประมาณสักหกหกหกชั่วโมงตอนที่ไปโรงพยาบาลมันเจือบจะหกโมงเช้าก็ใครใครเพียงเ้าก็มาเจาะเลือดดูเทียงเพรนั้นเขาดูแลมันไม่แข็งตัวแล้ว อันนั้นเรื่องมันจะแข็งตัวในระยะเวลาเรามาณสิบกว่าวันขีดอันนี้ยี่สิบสามสิบวานขีมันก็ยังไม่แข็งตัวทก็เลยบอกว่าต้องต้องใช้ยาต้อให้ยาคีรุ่มนะที่ยาคีรุ่ ม, มนี้ถ้าเกิดแ่ามันก็อาจจะทําให้เช้าเครื่องเราก็เลยต้องให้พยาบาลที่ทายมามาคอยเฝ้าดูอาการตรวจ ด, ดูดูชีพจรจกับความดันอยู่ทุกชัมม่วโมงคอยคอย แต่เก็เป็นเวลานก็ไม่้เล็อะเขาก็ให้ไปปวดมากน่าประมาณประมาณนมกองเล็กๆผ่านทางสายเอายามใช้เวลาประมาณสัี่้านาทีเสล้วพอมาอีกจําบกโมงเขาก็มาตรวจเรยังก็ยังไม่แข็งมันก็ยังต่อมอยู่้องให้เพื่อ้แล้วก็อีกหกชั่วโมงเขาก็มาตรวจอีกททีนี้มันอยู่ไม่แข็งตัวลยว ท้ที่ที่ดุกดุดมันมีกาสเนี่มันน่าทำนะจะบอกสี้ำแลือดไหเลือดที่มันพิษจาทุกมือเข้าไปยันมมือสีดำดึงเขไปเห็นเอลอยขึ้นมาถึงทนี่มันจะตายกระายทนี้จะมีแ้่เลือดของมอียวยวหมอเขารอดูเป็วันต่อวันเาบอกว่าจะต้องเขียเลือออกมันน้า ก็พอรอยไ้พอวันพอวันมันมันอาการดีขึ้นมันกรเป็นสีชมพูกับเป็นลายเป็นสีชมพูก็เลยไม่ต้องเปิดเลยนะเราดูอาจจะเป็นฝ้าในนานๆนี่มันเคยเคยดูออกมาเรื่อเลืออที่เราบีบออกมาตามที่ถูกมันกลับอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยพีดแต่เราก็ไม่ไค้เชื่อัจมาทีมุกค่ะ แต่ละกาลแล้วลมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ตุการณแล้วต้องอยู่กั บ, บงงมันไปทำไงได้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็มีทับประคบประคองสติรักษาาจไว้ใช่ไหมอยากไปยุ่งวาีอยไปอะไรจงเกิดเหตุเกิดผลก็ไม่ได้มาถึงวาปล่อยนะอ่ะยอไตายแล้วอะไรเนงะไม่ใช่หาหัอได้ก็หาหมอถ้าหมอพยาบาลทาอะไรไนมะ่ถูกก็ก็ต้องใช้ดินกันอะไรเงี ก็พอดีคนที่มีเฮิบาลก็รู้จัล้ะคนบางคนก็เรียกโทรไปถามหมอคนเองเลยว่ารักษาวิธีนี้ถไหนะจถืการที่หมอคนเองเนี่ยเขาก็รักษาถือวิธีพอพอหลังจาก น, น, น, น, นั้นก็อีกสักสีกห้าวันเพราะว่ามันมันเดินไม่ค่อยไ ด, ได้มันเจ็บพอหลังนั้นก็กลับปกติ ก็หลายปีแล uh, uh. okay. ้วห้าป okay. ีสี่สามสี่สี่ามหมดเลยครับบนในข่าวไม่มีใช่ไหมมีงูเยอะก็ในพอเป็นัวเนี่ยมันก็เป็นป่าไม่วก็เป็นธรรมดาไม่เคยไม่เคยไปตรวจตุลากนจะได้ว่าเยอะมันเยอะก็เห็นได้เราไปเป็นน้างตัวก็ว่าเยอะ เรียนบางคนนี่มีรวบ ก, กวางคืออะไรอ่าเพื่อเขาเพื่อเขาเรียนอะข้าคอ่ า, อามันจะออกมาหาจุดจ า, า, า, างค้ำจางเพื่อจะเป็นโครงการของโครงการพระราชประสงคที่ต้องการที่จะขยายพานธุ์ักษ์แล้วก็จะเอาเอาแม่พ่อพันแม่พันมาวามาม า, ม า, มาหยู่ให้เขาผสมเอารวบกมา แ้งทีก็ไปเอายูฟฟางมาจากที่อื่นมากลางวันขาอยที่ไหนนะคะพวกมันมีของพวกนี้อยู่ในครอบเขาเลี้ยงที่วันนั้นถึงกลางจะึ้พวกนี้พวกนี้มันจะยดอยู่ในป่าอยู่ใน่อย่างต้ไม้ที่พ้นดอาพวกนี้ที่อยู่ธรรมชาติมันเองเขามีมื่อปลามาให้มันหาที่มันเองเขามีแล้วมันจะออกมาทำอะไรกัอ เมื่งนี้ก็เป็นฝูงมาทีก็ห้าหกสิบเจ็ิตัวใหญ่ยอเยตัวใหญ่อะตอนนี้เดี๋ยวเรามันก็กัดกันเราต้องได้หอบข้าวกห้าคไปคือพน้าตัวมันไล่กัดกันเนาะถ้าเป็นถ้าเกิดตอนข้ามหนีเพื่ออื่นผ่านมาฟังทําย่างนี้เนจะมันยากมากหกตัวมันคงจะไม่ค่าสะดวกนะใช่คำขมาบนๆอย่างเจะมาข้า เพราะว่ามันเป็นสารที่ราชาการเดื่องปกติ5ามงย็นแลักก็ไม่อยากจะให้ไข่ไข่เข้ามาพร้ะขต้องขอยดูลาก็ไม่อยากต้องปตแล้วก็มันก็เป็นลาที่ควรที่จะอยู่ด้วยนะครับก็ไปทที่อื่นบ้างใครทำคุณอาเจียนก็ได้มีอะไรหลายอย่างม ป็นโดนประกออืมม <c oughs> <c oughs> ีคำถามหรือเปล่แกล้งไม่รู้ข <Sky tai> ้อการอะไรข้กาี่ไม่ทำแล้วเรยนหนักแล้เรียหนักือเป็นเด็กถามมาตลอด่ลยร อ่วันนี้จะไม่ทำแปทำไปฉันมาทำไปฉลาดทำไม่ตกกูเป็นารคนหนามากๆไม่ได้เปลนวัาก็ไม่ไดไม่ถกอรคนหนาน่ฉลาดก็มีเออแต่ว่าเข้ายังยังติดในบางเรื่องบางอย่างเงี้ยพูดตอไม่ได้พูดแล้ว คนถามนี่จต้องโง่เสมอไปหรือไม่ฉลาดเสมอไปวันนะครับคนถามที่ฉลาดก็มีอยู่ที่ปัญหามากกว่าอยู่ที่คาถามมากกวาเป็นคำถามที่มีสาระหรือไม่บานถามว่าท่านบวชเมื่อไหร่บวชบวชสี่ปีแล้วท่านอายุเท่าไหร่ถามอะไรทำไม เด็เรียนถามเรื่องเกี่ับทานนะครับทำเวลาที่เราทำทานเนี่ยผมสัเงเกตว่ามันจะมีคนสองย่งางหนึ่งเป็นโมหะอันนึงทานนีเนี่ยเป็นกําลักให้ติดใจจริงๆเวลาเราทำทานเราก็ต้องมดติดยังไงอันใดที่จะพ้นจาโมหะน่มันอาจจะเป็นได้คือทานคือเป็นการให้ให้คือเมื่อเราให้แล้วเราก็อยากจะยึดติดกับสิ่งที่เราให้สิ่งที่เราให้เป็นแล้วนัว้นเ้ถือว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้ว เราเวลาให้เราไม่ต้องการผลตอบผลถึงตอบแทนจากผู้รับคือเราอาจจะพิจารณาด้วยเหตุผลต่างๆที่เราจะให้เช่นเห็นก็าเดือดร้อนเราให้เขาไปชื่อเยเหลือเข้าไปให้เขาได้ค้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็มีความปลกใจมีการภูมิใจนั่นเป็นผลที่เราได้รับไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ แต่เราไม่ต้องการรอให้เขามาขอบขอบคุณยกมือไหว้เราอะไรหรอกนะเราไม่ต้องการท่านพิมพจากคนให้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นกาให้ที่บอิสุทที่ไม่ไม่ใช่ดึนความยูงแต่เราคนให้แล้วอยากจะให้ติดประกาศชื่อว่าตอนเองได้ทำบุญเท่านั้นเท่านี้ทั้งนี้เรามีโมหะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะเรอยากจะ ให้คนนรู้่าตัวเองเราทำดีทำทานอย่างนี้ก็เรียกว่าปิดทองหน้าพระห้าปิดทองของพระเจาไม่ต้องให้ใครรู้ความเพื่อความความประโยชน์ทางจิตใจโดยตรงทําให้เรามีความสุขในขณะเดียวกันก็ทําให้เราชนะความตมื่นหนีชนะความโหความความโลก นี่คือเป้าหมายของการให้ทานเนี่ยที่ให้จิตให้เพื่อที่จะชำนะจิตชำระสิ่งที่ต้างความทุกใจให้กับเราคนที่มีความเป็หนี้มีความโลภมีความหวงนี่มันไม่สบายใจแต่คนที่มีไม่มีแล้วมันสบายใจเวลาเสียอะไรไปจะไม่รู้สึกเสียเสียดายไม่รู้สึกเสียใจจะคิดว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นการทำบุญทาทางไป เดี๋เราเคยให้อยู่เป็นประกําเบ็นประจํนี่ดี ๆ, ๆ, ๆมีขโมยมาขึ้นบ้านมาเราคิดว่าเหมือนกระทําดุด่งเลยดีเราไม่ต้องยกของไปไปให้ขเขาเข้ามาเอามารับที่เลย <c ười> ลเราบอกถ้ามองโน่นง่ายดีดีเราจะได้ของใหม่ใช้ใช่ไหมเมื่อเรามีฐานนะเรามีเงินคอที่จยอะดีแต่เราก็เป็นคนแบบว่ า, าคนรักษาคนถ้าไม่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่อยากจะซื้อของใหม่เพราะว่าของเก่ายังใช้ได้อยู่ แต่นี้มีคนมามามาเปิดโอกาสให้เราเรามาขโมยเอาขางเก่าไปแล้วอย่างนี้เรายังมีความจะเป็นที่ต้องใช้เราก็ได้ของให ม, มใ่มาทำเรื่องนี้มันก็การที่จะเศร้าโศกเสียใจกับมุมความผิดใจการไดาจากีทังทีนี้มนเป็นสามการพอดมีน้องใคเนี่ย ถ้าบอกว่าเขาขอไปทำสันธรรมในฐานะไม่เลือกพระเขาบอกว่าที่พขอ่านมานี่ก็บอกว่าทาสันธรรมเนี่ยเป็นการไม่เลือก้านเป็นการทํควาที่สูงเสร็จแล้วอานก็ออจึไม่ไม่เห็นด้วยกับตรงนี้เพราะรู้ส็กว่าที่ครบาอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าการทาบุญกับ้าพท่แยสูงเนี้ยนสูง่าการเียาสนาอายไม่ได้ออกว่าจอธิบายให้เขาฟัง คือคำว่าสัญญาทานนี้ความหมายที่แท้จริงหมายถึงถวายให้องค์กรไม่ได้ถวายให้กับบุคคลองค์กรเช่นวัดอย่างเวยายาติยมสร้างสราราหลังนี้ก็ถวายเป็นสัญญาทานไม่ได้ถวายให้เจ้าอาวาสไม่ได้ถวายให้พระรูปหนึ่รูปใดเป็นเจ้าของนีแต่เป็นของวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนรวมนี่คือความหมายของคำว่าสัญญาทานแต่คนไม่เข้าใจความหมาย ก็พี่ว่าไปถวายองคไหนก็ได้องไหนองค์หนึ่งไมนจำไม่จำเหมาเจาะตรงองนี้ไม่ใช่ถึงแม้จะมีกระแสนักสังฆทานแล้วไปถึงแล้วก็เขาจะจัดพระรูปการูปหนึ่งมาให้แล้วอันนั้นก็ไม่เป็นสังฆทานถ้ภาพระรูปนั้นเอาไปเป็นสมบัติของของตนเองดังนั้นก็ไม่ได้เป็นสังฆทานมันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าจัดฉลากมากกว่าโดอทุมเอาเอาพระองคไหนก็ได้มาสักองคหนึ่งก็แล้วกัน อย่างมันก็ยังเป็นทานที่ถวายเฉพาะบุคคลท่านย่าทานที่สองชนิดเนี่ยคฏิบัติบุคคลิชนทานทานที่เราถวายให้กับบุคคลนั้นเป็นเป็นสมงหวัดของบุคคลนั้นโดยตรงแล้วทานที่เราถวายให้กับงกองค์กรเป็นสมจัติของของของสว่วนรวมอันนี้ถึงเรียกว่าสังฆทานอย่างความเป็นมานี้มันเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงไปเกิดพระนาสิดาทั้งแรก หลังจากที่ได้ตัดกะโหลกแล้วได้รับจิตนิมนต์ไปให้เติบโตแล้วนานมีความเชื่อที่เป็นแม่แม่ียงของพระพุทธเจ้ามีกามตัดกระหน่อยากจะถวายท้าจีวอนให้กับพระ พ, พุทธเจ้าไว้ครองบูธาตัดเยอะด้วยพระองค์เองแล้วก็นำไนปถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงปฏิเสธบอใกวอาไปถวายเป็นสารกระทถวายกี่ครั้งก็ทรงปฏิเสธ คือสมัย น, นั้นพระเจ้าสงสัยว่าผ้านี้มีหายากต้องอยากจะวางแบบฉบับไม่ให้จับจองกับพระที่เรารักเราชอบตรงใหญ่หนึ่งเพราะมีพระหลายรูกที่เขาไม่มีุนาระเพื่อถวายให้เป็นของสงฆ์ให้เป็นของของเฉลี่ยรวมไล้วใหงฆ์เขาที่ตัดสินใจเลือกเท่าไหจะให้กับพระองค์หนไปทีหนึ่งดังนั้เวลาที่เราถวายผ้ากระถิ่นนี้ mm hmm. เราจะบอกถวายให้หลวงตาไม่ได้ ขอให้เราไม่ได้ต้องมีพระก็เลยมีพระอยู่สีรูปคทำพิธีอุปโลกนั่ า, าอุปโลกนัก็คือเป็นผู้ที่จะเหมือนกันในประถาคนนึงต้องตั้งยัติขึ้นมาอีกคนต้องลองรับลองรับยับตินั้นแล้วแล้วก็ต้องจะแล้วก็ต้องนับนับคะแน น, นเสียงหรือ ว, ว่าทุกคนมีมัตติเหมือนท้าวหรือไม่ที่ก็แบบเดียวกันในหนาของสงฆ์้ี่เราไม่ใช้วิธีนั้นเราใช้วิธี ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ให้ยกมือขึ้นมาหรือพูดออกมาว่าไม่เห็นด้วยแต่ถ้านิ่งเฉยแสดงว่าเห็นด้วยมันส่วนใหญ่จะนิ่งเฉยกันแนาะในเวลาสังเกตไปทําพิธีในกระถิ่นก็จะถ้าทีา่กำลังเปิดสภานกําลังเปิดสภาตัวนีอยู่เนาะเรื่องน่นแหละคือแนวทางของสภานในปัจจุบันนี้ได้มาจากของของส่วนกามีการมีการเสนอแล้วก็มี ต, ตั้งยติมีการรับรองแล้วก็มีการนักคะแนนลงคะแนนเสียงโดยหลักเขาก็ถ้าเ้าก็พิจารณาให้พราผู้สูงวุฒิอย่างนู้ดใดที่มีคุณสมบัติตามที่ควรจะได้รับแล้วก็เปอยชื่อออกมาแล้วเมื่อเมื่อสงฆ์ทำอย่ประหลาเสร็จแล้วเขาก็จ้เอาผ้ามาจะตัดแล้วเมื่อตัดเส็จแล้วก็ต้องถ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ า, า, อาออให้กับพระรูปนั้นแต่นั้นเป็นมติของสงแล้วก็เป็นมติของญาติโ ย, ยม ผู้ที่มาถวาสงฆ์จะรู้ดีกว่าว่าใายในในในหมู่สงฆ์นี้เป็นคนที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลชิง น, นี้ไปให้แสงว่าถ้าชินใดเมกันในคณะหมู่ของโยมเนี่ยให้อาตมาที่ว่าคนไหนควรจะได้รับของชิ้นนี้เราก็ไม่รู้ก็ให้ญาติโยมไปตอบเงนินคณะเองนะถ้าบุคคลคนใดนี่นก็เป็นแบบการให้สังฆท า, านไปทีนี้การให้ให้ให้สังฆท า, านนี่มันดีคือมันช่วยทําให้ ก็เลยกลายเป็ปัจจัยสี่ที่ญาติโยมถวายมามันได้กระจายไปเพราะพระบอารูปท่านอาจจะไม่ค่อยมีคนศรัทธาก็ได้แต่ถ้าอาจจะเป็นคนที่ดีปฏิบัติเรียบเฉยไม่ค่อยมีปฏิสันถางกับใครญาติยาโยมก็ไม่ชอบเพราะไม่ยินมย้ำแจ่มใสไม่ทักทายไม่เอาเข้าใจท่านอาจจะไม่มีใครไปถวายข้าวของเ ถ้าใครมองเห็นว่าคนจะให้ถวายให้เป็นของการอย่างที่วัดต่างวัดตางจะของทุกอย่างที่ถวายไปหลวงตาจรับแทนเท่านั้นเองแล้วก็เอาเข้าคลังไปมีตู้เก็บไว้เวลาใครต้องการอะ้วก็ไปหยิบเอาเราถือว่าเราอุปโลงตานแล้วว่าของที่อย่างที่รับมานี่เป็นสิ่งที่ท่าที่อยู่ในวันนี้เอาไปใช้ได้เช่นฐารต้องการสรบู่ต้องการอะไรก็มีที่เก็บแล้วก็ไปหยิบไม่ต้องไปขอใคร เวลารับนี่ไม่จำเป็นต้องมีสองสี่ใช่ไหมครั่ไปทแทนก็ได้ใช่ไหมครัท่านอาารย์อันนี้มันเป็นพิธีกรรมที่เขากําหนดขึ้นมา ค, ค, คือด้วยอ้างว่าในยุนายถ้ามีอยู่ข้อหนึงที่ว่าจะมีเป็นองครบองค์สงได้ต้องมีธาตอย่างน้อยสี่รูปขึ้นไปเสร็จสิว่าคนนั้นน่มีธาตุอยู่สามรูปมีจะถวายสารทานก็ถวายไม่ได้ถ้าถ้าจะทําแบบเป็นกล่าวกล่าวําถวายอ่ มาอย่างทําเตอะไรเนี่ยทาไม่ได้แต่ถ้าเราทําในเชิงทางทางปฏิบัติก็ทําทได้ก็ถวายไปแล้วเขาบอกว่าเราว่าขอถวายให้กับเนของของส่วนกลางไป mm hmm. แต่ตอนที่เราก็ไม่จ่ายไม่ซ้ำใจ่พราะว่าเราเราเชื่อในหัวหว่าของสงฆ์แล้วก็ถวายท่านแล้วท่านก็จะเอาไปแจกจ่าย ใ, ให้กับชาวเน็ตผู้ท mm ี hmm. ่ ที่ทำงานผมเนี่ยเขาชอบทําแต่ เ, เขาทานแต่เขาไดมนุษ์พระมานแค่สองอ ม, มันก็เลยดูแ <c oughs> ปลกๆสองแลว่อมันก็เหมือนกันมันก็ไม่เป็นสงังฆทานอย่างเดียวแล้วเขาไม่คำกล่าวเพราะมันก็เป็นเพราะมันเป็นของผ้าที่รับไปพระที่รับไปก็มาแล้วไปแจกจ่ายกับพระที่อยู่ในวัด ร, ร่วมกันนะถ้าจะเป็นสงังฆทานมันก็เป็นของของวัดของวัดแล้วพระที่อยู่ในวัดนั้นมีสิทธิ์ที่จะไปไปใช้ได้ถึนจะเป็นสังฆทานแต่ทางของ ของของทางพระป่าเราไม่ก็จะใช้เรื่องพิธีกรรมนี้เทาไหรแต่เราปฏิบัติกันโดยตรงเลยคือ mm hmm. ของที่อย่ากที่รับงานนี้ก็ไม่ไล่ mm hmm. หัวหน้าของจะไม่คิดว่าเป็นของของตงนเองเป็นของส่วนเฉมเป็นแต่ว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวอย mm hmm. จะจะรู้ดีว่าควรจะเอาไปทําอะไรอย่างไรไมากน้อยเพท่าไหร่ แล้วผู้ที่ไปอยู่ศึกษากับท่านก็เหมือนกับว่ามีสันทานุภาพมอบอำนาจนี้ให้กับท่านโดยโดยปริญาโดยธรราติคือเพราะเราสันตานถ้เราไปเราไม่ได้คือคิดถึงเรื่องอะไรสมบัติเจ้าของเงินทองที่เราจะได้จากการไปอยู่กับท่านสิ่งที่เราไปเราเพื่อไปไปไปเพื่อธรรมะอย่นี้เดี๋ยวของเรานี้ที่เขาต้องมีทํำนี้เพราะมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบของคนที่อยู่กันเป็น เป็นเป็นหลายหลายคนเป็นองค์กรไม่ต้องมีกฎมีกติกาถ้าไม่มีกฎไม่มีกติกาหรือว่าไปเจอคนที่ไม่ดีมาก็จะก็จะมาทําให้เสียได้ที่นักปฏิบัติเห็นหน้าที่เห็นแก่ตัวอย่างนี้เวลาขออะไรมาเป็นของผมหมดเนี่ยพวกท่านรับไปไม่ได้ถ้อยากจะได้ยังมาขอผมก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะใช่ไหมจึงคือวิธีปฏิบัติมากกว่าสําคัญมากกว่ากัน กล่าวครับที่โลงที่กรรการนอาจจะก็าป็นโตอุปโลงก็ได้แต่ว่าต้องปฏิบัติทาตอนนี้ทอเราใส่จา์ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ทชีลอยหน้าอะไรมาใส่จางกวาเอาเนื้อร้น่นี่ราะว่าวัดมีงานเียเพียง่ดเหมือนกับที่เราคือคนให้มันก็ได้เหมือนเดิมอ่ะคือคือได้ทานได้การให้ แต่มันไม่ใช่เป็นรูปแบบสังฆทานอย่าที่เราคิดเท่ันเองสังฆทานนี่คือการสนับสนุนทานุบำรุงส่วนเงิ่อาจารย์แต่นี้มันก็เป็นการทํำนุบำรุงเฉพาะบุคคลที่เข้ามารับขอเับไปก็ราโดยในทางว่าในเมืองสมัยท่านก็ท่านก็บอกว่าให้อยู่บนดาบตัวใครตัวมันก็แล้วกันใครหาได้แต่เป็นของคนนั้นเท่านั้นธรรมเนียมแบบบ บาดบาดพระบาดวัดบานี่ในเมืองเขาไม่มีกันก็เขาต้องเขาต้องบาดบัดตีมผืดของใครของมันอะไรนะแต่ทางทางทางวัดบาดนี่จะเป็นกองกลางเงินเขเท่าไหรก็เป็นกองกลางหมดมีความจำเป็นก็ก็ไปไปจับเรียนท่านก็มีทางในเนัล้านจะพิจารณาให้ว่าจะให้มากน้อยเท่าไรนี่ย็ต้องตัดใจสมมุติว่า ตอนท่านจะเหู่าเบืองตานเลยนะคะถ <ừ m. S 2> ้าเป็นรูปถวายปัจจัยเฉพาะท่านท่านต้องเอาไปใส่กองกลางก็อันุเครื่อง้นอยู่กับอยู่กับตัวของผู้รับถ้าท่านอยากจะไม่ต้องการเกี่ยวข้องด้วยเลยท่านก็เอาไปเอาไ ป, เอาไปร่วมทำบุญก็บอกถวายหนูตาไปทําุญไปก็ได้หรือถ้าเาคิดว่าเรามีคาวามจำเปมันจะเก็บไว้อันนี้ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้มา ไม่ได้มาห้ามปามนะ์อะไรเพราะท่านก็เข้าใจว่าบางทีบางบางทีบางอย่างบางกรณีก็อาจจะมีการปั่เป็นแต่ถ้าเป็นถขอที่มาใน ล, ลักษณะแบบทั่วไปอย่างเท่าเวลามาคันบุญในสาราบิถิมันอันนี้ถ้าถวายก็เป็นอย่างจะทําทางหัวหน้าแต่หัวหน้าท่นานก็จะเป็นผู้จัดการําหน่ายจารแจกใบกลางแบบสมควรแก่ความปั่เป็นแต่ถ้าเป็นญาติโยมพี่น้องเป็นหลวงพระของตันเอง นานไม่เงียบทีก็อยากจะถวายอย่างบางทีชาวต่างประเทศนี้เขามีวีดามาดามาจากต่างประเทศเขาจะอางทีก็อาจจะอยากถวายให้กับพระของท่านโดยตรองอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรแต่มันก็ไม่ได้เป็นสังฆทานมันเข้าเป็นการดูแลบคุคคลคนเดียวคนนั้นแต่ถ้าเราต้องการให้ศาสนาทุทเจริญไปเรื่อยๆเราก็ต้องดูแลส่วนงไม เพราะว่าเวลาจะบวชพระนี่พระรูปเดียวเหมือนไม่ได้มีพระรูปเดียวเหมืนไม่ได้ต้องมีพระศิรรูปขึ้นไปเพราะถ้าถ้าอยู่ในที่กันดารหาพระได้ยากท่านการรุบรวมให้มีห้ารูปเน้นการจะสืบพระศาสนาศาสนาจะอยู่ต่อมาได้ก็ต้องมีมีพระมีการบวชพระมีการอาบรูปนะมีการศึกษากุณ ญาโยงถ้าอยากจะให้นามสกุลอยู่ต่อไปก็ต้องพยายามผลิตลูกออกมาใ้รับช่วงต่อไปเมื่อมีลูกก็ต้องเลียงลูกไม่ใช่ปล่อยปละเลยนะ mm hmm. ต้องเลี้ยขงขายิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ ย, ยิ่งดีสกุลจะได้ใหญ่ขึ้นความข็ ง, งขึ้นต้องการถวายสารทานยะถวายให้กับพระทุกรูปที่อยู่ในอาวาสนะี้คือความหมายหักขอเป็นอย่างนั้น แต่เดี๋ยวนี้คนไม่เข้าใจเพื่อสังกฐานคือกระเป๋าที่สีเหลืองใช่ค่ะเห็นถ้าถ้าใส่ถุงใส่อะไรมาไม่มีกสังกฐานแล้วการที่การที่เราทุใส่ที่วันนี้จะะไม่ิุาจะเปลี่ยนไปเรื่องไม่สังานขารถ้าเป็นถ้าเป็นพระป่าวัตต่านี่จะเป็นสังกานเพราะถ้าเราไปแบ่งกัน ถ้าถ้าเป็นตบายได้กลับมาแล้วท่านจะไม่เอาเก็บไว้เลยท่านจะเอามารวมกันแล้วก็ถวายพระหัวหน้าก่อนอันนี้นะ่าเป็นสังฆทานแต่ถ้ากลับมาแล้วบาดใครบาดมา น, นี่อันนี้ก็ไม่ใช่สังฆทานทางวัดป่าก็ถือว่าเวลาไปดินตบายกลับมาต้องไม่ เ, เก็บอะไรเลยก็ให้เอามาเทมารวมกันหมดเพราะสมัยก่อนเพราะป่านี้ยากจนม า, ากเวลาดินสบายนี่อนมไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่ แล้วถ้าต่างคนต่างมุกเกิดวันบายนี่เดี๋ยวมันก็มันไม่มีความวักสมาธิอะไรเพราะต่างคนต่างคิดเอาตัวรอดไม่มีความเสียพละกันแต่ถ้าเรายอมเสียพละถึงนั้นจะได้เป็นาบาดได้หาอันโกรธมาแต่ก็กั้ใจนะเอาไปเทเรวมกันในถาดแล้วก็เอายกไปถวายพระหัวหน้าขึ้นก่อนเดว่าอย่างหน้าก็ข้าวไ้าไม่เป็นข้าวป่าใสนกับข้าวกับตานี้ก็ให้ เรื่อนลงมาตามมันแบบทางขวาไป สนาเนนาพระทานนมาแบ่งเนีาป็นจาระ้พระานไม่ได้ม่แบบก็เป็นหุกขลังถ้าเราเราตั้งิตเป็นาระคาถแวเราไม่แบมันมันไม่เกียบังเราเราเราก็ได้บุญเท่าเดิมะใคือบุญที่ได้เพิ่มมาคือศาสนาจะมีอายุยืนยาวนานึงถ้าเป็นจระาพระพระสมีการทาระคือมีการับกลาง มีความเอื้อเฟื้อเผือแผต่อกันไม่เอาตัวใครตัวมันเป็นอันในสาระทาคือความหมายคือต้องการให้สงอยู่อยู่เป็นดับกรองดองมีความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเอถือแผ่ไม่คิดเอาแต่ตัวรอดพีางา น, นก็ช่วยกันทนํามีอะไรก็มาดบ่กันจริงแล้วก็เคารพในอาวุโสพันเตไม่ไม่ไม่เก้าวต่างไม่ท้ามหน้าทํามตาผู้หลักผู้ใหญท่านเป็นผู้บื่ก่อนเรา ก็ให้ท่านมีสิทธิ์ในการพิจารณาของก่อนแล้วง mm hmm. ถึงแ้จะไม่มีรายเหลือให้เรากินล้วก็เราได้บุญมากกว่าตรงนั้นพระเจ้าขขออนุญาตถามว่าอย่างถ mm ื hmm. งงว่าตั้งเจตนาถึงว่าขอถวายต้องการพระพิเศษของใหญ่ใหญ่แบบคือน้องติดเลยที่ท่านผู้รับแบบที่บารู้จิตตรงนี้คือว่าสำเร็จ แบบเป็นสัทานก็้คคือเพราะว่าเจ็บไปนของกัรถวายนี่น้องจิดเพราะว่าจะหาพระเยอะก็ไม่ได้แต่น้องจิดถวายทังคที่งใหญ่ครั้งที่เกิดท่้นแล้วในอดีต่ถ้าเราอยากจะถวายสังฆทานแล้วก็ไปถวายวัดที่ต้องทำสังฆเป็นสังฆทานจริงจแต่ไม่อยกาที่จะไปก็เจ็บกันไม่ก่อนก็ได้ไงเจ็บกัน้รวบรวมวาก็พอมีโอกาสก็ไปก็ไปถวายวัดที่เขา ก็เป็นสังฆทานดีๆเรือ ท, ทุกอย่างเข้ากองกลางแต่ว่าน้องปชานี่ยได้ยุ่งยากทุกอย่างเข้ากองกลางหมดก็เราก็ถือว่าลบลวงแล้วเราจะผ่งมันก็ได้แต่อย่างเดยังติดถ้ายังติดในคำสังฆทานอยู่แต่ผู้ผู้ให้ผู้ให้นี่ก็ได้บุญเท่ากันผู้ให้สังฆทานอยู่ตรงที่ติดมากกว่าว่ามีความบริสุทธิ์มากน้อยเท่าไหร่คือให้เรายังต้องการหรือว่านี้เรายังต้องการอยู่มันก็ยังเป็นเรื่องขายอยู่ แต่ถ้าเราให้โดยที่ไม่ต้องการอะไรเป็นตอบแทนเลยอันนั้นเราจะได้บุญมากกว่าแต่สังฆทานนี้มันหมายถึงเรื่องขององค์กรเรื่องของศาสนาเรื่องที่จะช่วยทําให้ศาสนายืนยาวนานที่ไม่เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวกับคนให้นี่ทุกเราทําไปแล้วอะไรจะไปกังวลว่าพระท่านจะไปรวมกองกลาไม่รวมกองกางนี่มันไม่กันว่าเราไม่ได้รักความได้โมโหของเราใชนไหมได้เราไม่ร้อนจิตใจเรายังอยากจะได้บุญมากๆ มันไม่ได้มากกว่ากระบวนการการละว่าจะถวายคนเดียวแลือถวายให้เป็นส่วนการมันขึ้นอยู่กับการละเทศสัมากกว่าถ้าเราไปเจริญภาพรูปเดียวแล้วเราใส่บุญให้กับท่านแล้วท่านเป็นพระที่ดีเป็นพระอริยะมันก็บุญเหมือนกันท่านก็ไปทาประโยชน์ให้กับเราได้ต่อแต่บุญที่เราได้เนี่ยมันเท่ากันนะถึงแม้จะไปให้กับถุนักมันก็ได้บุญเท่ากันถ้าเป็นของเช่นเดียวกันเนี่ยแล้วเราให้ใหานั้นใจให้กับพระก็ดีให้กับถุนัทก็ดี ถ้าจิตใจเราให้ด้วยคามเมตตาปรินานด้วยควา ม, มาบริสุทธิ์ใจในการปรารถนาที่จะสงเคราะช่วยเหลือบุคคลนั้นหรือสุนัขตัวนั้นบุญในใจคือความสุขใจมันก็เท่ากั น, นในพู้รับนั้นจะเป็นพระอริยสงจะเป็นพระอริยสงฆ์เป็นสุนัขมันก็เหมือนกันในความรู้สึกในใจของเราคือมันเป็นบุญเป็นความสุขใจแต่ที่สำคัญที่มันทาใจยาก แตะว่าก็ติดนัดจะเสมอทีอ่ส่งเนี่ยมันทําใจลำพังเราเราไม่เข้าใ จ, าจาการทานให้ทางที่เราเรียกส่งนี่ท่านมีประโยชตตน์ส่งที่ท่านจะสอนธรรมะให้เราแล้วเราจะได้ประโยชน์อีกกระทงหนึ่งคนเราเลื่องกันต่างหากให้ใ ห, หมาแล้วหมาอย่างมากมันก็เห่าให้เราแค่นั้นเองไม่ได้เลยจากมันเราไม่เข้าใจา แต่ใจที่ให้ใจที่ชนะความฝันชนะความโลภใจที่เกิดความเมตตาสงสารเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ให้จากผู้ที่เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็เหมือนกันมีความสุขใจเหมือนกันแล้<ม>คนคนก็ถึงไปเลี้ยงหมาได้แล้ไม่จำเป็นเราไปเลี้ยงคนเน้นพนักจรจัดเพราะว่าไปไปเลี้ยงพนันจกจรัด แติที่ให้เลือกบุคคลไรืให้เลือกถวายนั้นเพราะว่าหนึ่งไปที่ประโยชน์ของบุคคลนั้นที่เขาจะทําประโยชน์ให้กับกับเราและกับผู้อื่นต่อไปถ้าไปให้โจร <c oughs> โจรมันก็มีกําลังไปฆ่าผู้อื่นต่อถ้าไปให้ให้พระพุทธเจ้ามันก็มีกําลังที่จะไปเผยแผ่ธรรมะนะต่อไปได้ถ้าไปให้ของโสงเนี่ยมันก็ทำให้ศาสนา ย, ยังคงอยู่ได้คนมีกําลังใจที่จะมาบวชเพราะมือมาบวชแล้วไม่อดอยากขาดแคลง มีอาหารกินทั่วทั่วถิ่นกันไม่ว่าจะเป็นคนพิ่งบวชวันนี้นเลิกบวชมาติดปีแล้วก็แบ่งอาหารให้กินกันเท่าเท่ากันอย่างนี้นมันก็ทําให้องค์กรคือศาสนานี้อยู่ต่อไปได้แต่ถ้าเลือกเฉพาะถวายจากองค์หัวหน้าเนี้ยพระบวชใหม่ไม่สนใจพระบวนมานั้นบวชได้สามวันไม่มีจึงวอดจบดีกว่าไม่มีควาไม่ <B ank j ain> มีการอยากจะบวช S <S an> <S an> <S แสดงว่าตัวอย่างยิ่งเห็นว่าอย่างเวลาเราถวายถ้าอริสยสงฆ์อกับเวลาที่เราพาดสมาธิเนี่ยาติดเรามีความเลือกที่ลักมากที่ทางสึมาิถว่าเลือกที่ยางให้ไระอริยสงฆ์เพราะว่าระวังมากว่าอันาาอนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นหจึ่งทีลใหญ่เรขนาดนั้นไม่ไม่เสมอไปถ้ามันเลือดฟ้อนเลือดปัญญามันก็ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรโดยถ้าเราเลือก พ, กพอ ร, อกรริยสงฆ์เพราะว่าเราอยากจะฟังธรรมะแต่เราอยากจะได้ธรรมะอ่ อันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่รัดมากที่ส์างพราะเราไปเราคงไม่ได้ธรรมะจากสุนทะแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าเกิดคุนทะตับพระอริยสองฆท่านต้องการอาหารด้วยกันทั้งคู่เราก็ถวายไปทั้งคู่เลย nope แต่พระอริย <Sur> ก <k dormir> ็ถวายหมาที่มากระทำก็ถวายตอไม่จามมันสัตว์เป็นสัตว์ตาไงยะ เราสวดกันทุกวันไม่ไม่ไม่ไม่ท่านสอนให้เราอย่าไป้ยากแย้จับในตับตาเรื่องความจำเป็นมันเท่ากันหมดเรื่องปัจจัยสี่เรื่องความผิวหัวนี่มันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เนี่เรื่องความรักทุกคนต้องการความรักด้วยกันเท่านั้นความเมตตาสงสารทุกคนต้องการเท่านั้นเราไม่คนจะไปยากเฉพาะต้องต้องให้ความเมตตาแต่ถ้าอริยะส่วนหมาที่ข่างหัวมันนี้ก็ไม่ใช่ แต่ที่เราเลือกทําบุญกับพ่อยาเพราะว่ า, าถ้าเรามีโอกาสเลือกได้เนี่ยเพราะเราจะได้ยินได้ฟังคำ น, นะอย่างเงี้วันนี้ยก็แน่นอนช่วยแก้ไขปัญหาต่างถ้าไปคุกไปทําบุญกับหมาให้ข้ามันกินมันก็ไม่มาเราก็ยังไม่กระจัดความสงสัยที่มีในใจ <laughs> วันให้ข้าวหมาให้ให้อ่อยช้างแต่ไม่ใช่ไม่ให้ห้เลยนะควรจะให้หลวง้าท่านก็เลี้นงหมาเลี้ยงนกเลี้ยงเนาพระพระตท่านมีที่ไหนมีศาสตร์ท่านก็มีอาหารเหลือท่านก็เลี้ยงเนี่นี่คือความเมตตาพครมีความเมตตาคนนั้นจะมีความสุขใจความสุขใจนั่นคือสัตย์ตาสัตยตาเนก็หมายถึงทุกทุกอย่างเลยนะ ผมก็ยังไม่เข้าใจ อ, อ, อ่ททททะ ท, ที่ว่าที่ว่าเียได้ยินข่าวว่าถวายทานแกพระอรหนตร้ยช้างก็ู้ถวายทานพระเเ จ, จ้าังไม่ได้ที่ทว่าถวายทานแขกพระปเจดผู้เจ้ารอ้างู้ถวายทานแขกพระผู้เจ้าครั้งหนึ่งไม่ได้คือความสามารถของท่านแตกต่างกันเนาพระพุตธเจ้าเนี่ยนั้นคนที่จบปริญญาเอกส่วนพระปเจกนี่อาจจะเป็นปริญญาโท แล้วพระอาหารหันต์นี่อาจจะเป็นปัญญาตีหรือถ้าเราต้องการความรู้จากท่านเนี่ยถ้าเราทำบุญกับพระอาหารหันต์เราก็ได้ความรู้ระดับแค่ปิญญาตีเท่านังแต่ถ้าพระพุทธเจ้าเข้าไปเ ก, กิก็ได้ระดับปัญญาโทแล้วประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทำนี้กับพระอาหารหันต์ทำนี้มันแตกต่างกันมากหมายถึงว่าอันส่งที่ได้รับมันตางกันไหมไม่ไม่ใช่ตัวบุ ญ, ม, ม, บ ญ, ม, บญมันเป็นประโยชน์ที่ท่านจะทำให้กับโลก ไม่ใช่กับเราสทมเกคำกล่าวบอกว่าถวายทานแจกพระอรหันต์ร้อยครั้งผู้ถวายทานแกแล้วพุทธเจ้าครั้งหนึ่งไม่ได้กใช่แต่ว่าทานผลทางนี้มันก็ได้อานิสงส์ต่างกันนะคะก็คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าจะทานี้ได้มากกว่าแต่ว่าประโยชน์ของคนทำอมังประนทราได้รับพอเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าได้ได้ตรงที่ได้ความรู้จากพระพุทธเจ้าได้ดุดท้นเนี่ย คฟังทเทศจากพระเจ้านี่อาจจะรดุกคนง่ายกัย่าฟังเทศจาก้าพันออย่างนั้นเหมือนกัว่าถ้าเราเวียงเหียนไม่ข้าวลงไปในพื้นคอนที่จะเวียงลงไปในที่รู ม, มอย่างผมันก็เท่ากันเด็กไม่ไม่เท่ามันก็เท่ากันเด็ไม่ <laughs> ไม่เทียเนี่ยเรจะพูดไม่เท่าไม่เท่าก็ะไผไม่เท่าลไอ้อย่างนี้มันจะเท่ากันได้ยังไงก็ไม่เท่าไงเทาไปทำาวรเพ่อเจ้าเดี๋เกิดท่านชีปักิเละแก้ความทุกข์ขอเราอาจจะดุกคน แต่ไปหาปุ๊หาพ้ะอาหานต์พระอาจารย์ไม่เมาชัดอย่างที่เราทราบเห็นรับเน่ะท่านเชื่อใจปัญหาอะไรกช่มจำเป็นจต้องแต่งานที่ว่าท่านบอกว่าให้ใ่าดจ่อคนอให้ใจแก่สุนะค่ะมันเท่ากันยู่แล้วไม่ได้มันเท่ามกันในความรุ้สึกทางด้านเมตตากรุณาถ้าได้แต่แต่ผลที่จะได้จากสุนัขกับกับกับพระอริยมันต่างกันมาต่า ที่เราพูดว่าเหมือนกั น, มนหมายหมายถึงความเมตตาตุโบราที่ออกจากจิตใจลานี้นหเหมือนกันเราเมตตาหาเราเมตตาพระอริยะมันก็ได้เน็ตมันก็เป็นความเมตตาความจิตใจแบบเดียวกันที่แค่นี้นหมายความว่าตรงเน้นเราต้องยกระดับจิตที่สามารถออืทําให้เสมอกันได้ตรงนั้นใช่ไหมอาจารย์ มันไม่กลาเราก็เราเห็นว่ามันไม่เห็นว่้งยกระดับติดตรงไหนเนี่ยมันจะฉะนั้นยประชาชนทั่วไปเนี่ยความรู้สึกจะมีความรู้สึกว่าให้กับพระยิ่งจะดีกว่าให้คนหมาอยูข้าวคนอยูข้าวมันก็ขี้เหมือนกันหมาได้กินข้าวคนได้กินข้าวมันก็อิ่มเหมือนกันแั้วเนี่ยจะต้องไปยกระดับตรงไหนเนี่ยมันดูตรงเหตุผลตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ประโยชน์ที่หมากับคนจะทําให้มันต่างกัน ได้ผลใหญ่เท่ากันแต่ว่าคนนันต่างกันคนที่หมากับคนทํามันต่างกันนทํากับคนแค่ทําตหมามันต่างกันมาืออหมาทํากับคนทํามันต่างกันเข้าใจไหมหมาทําได้แค่ระดับเ่าแต่คนนี่สามารถที่จะสอนธรรมะให้เราเกิดความก็จางแจ้งได้เกิดปัญญาขึ้นมาได้มีเป็นความต่างกันระหว่างหมากับคนที่เราจะได้รับ หมาจะทําประโยชน์ให้กับเราก็คือก่อบ้านปล่อยห่าเหาะเหาไร่ขโมยแต่ถ้าเลือบุคคลท่านอาจะทําให้เราก้าจนพระศิวดาวันขึ้นมาในขนาดนั้นเลยก็ได้เขตที่พูดถึงว่าเราไม่ได้สร้างออกมาเป็นน้ำหนักว่าไหนได้บุญเท่ากันเราไม่ได้ควบุูณนะเราพูดถึงผิวเผยดำที่เราอย่าด้แจกสั่งให้วรควรจะได้แจกไข่มากกว่าดำจริงแล้วแต่ว่าเรามันมีสองส่วนเนี่บอกนะถ้าส่วนเมตตากรุณานี้มันเท่ากัน ใช่ไหมเรามีกวามเมตตาสัตว์มีเมตตาต่อกลุ่มเท่ากันด่ง น, นั้นเท่ากันเข้าจใจยังแต่ผลที่เรารั บ, รบอีกผลหนึ่งก็คือคือความรู้เช่นปัญญาเราต้องได้รับจากพระอริยมากกว่าได้รับจากมาเพราะหมันไม่มีไม่มีความรู้ระดับนั้นที่จะสอนเราได้แต่พระอริยท่านมีความรู้ที่จะสอนให้เราได้อันนั้นคือปัญญาก็เป็นบุญหนึ่งระดับเลยนะคำว่าปัญญานี้ก็เป็นบุญนะแต่เพียงเรามไม่เข้าใจ อาแค่บุญก็คือการให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่เราไม่ใช่ถึงบุญที่เหนือกว่าการให้ทานก็คือปัญญาทานศีลภาวนาทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาถ้าอยากมีคนถามว่าทำไงจะได้บุญเยอะที่สุดก็ต้องทำด้วยปัญญาต้องได้ปัญญานะั่นแหละถึงจะได้บุญเยอะที่สุด mm hmm. ถึงบอกให้ทํากับครูพุทธาจาไยเพราะว่าพระอาจารย์นี่เป็นเป็นมหาเศรษฐีของปัญญา mm hmm. แต่บุญกับพระอาจารยท่านให้ปัญญาท่านพูดเพียงคำเดียวบางคบรรลุแล้ว องคุลิมานี้ท่านพูดคาเดียวว่ า, าเราหยุดแล้วเธอต่หาที่ยังไม่หยุดก็บรรลุได้แล้วแต่ถ้าไปไปเจอพระอาหานต์ท่านอาจจะไม่สามารถพูดอย่างที่เขาพูดเจ้าพูดได้ก็ อ, อาจจะไม่หยุดฆ่าคนต่อหรืออาจจะฆ่าคนต่อไปอีกก็ได้ถ้าอาหานันตองหน้าจะถูกฆ่าตายไปก็ได้นี่มันต่างกันอย่างนั้นตรงนี้อันยายะนะ เมื่อจะทำกมฐากับพาริยะแล้วจะได้ทุกอย่างเท่ากันอย่านไม่แค่ส่วนที่เท่ากันก็คือความเมตตากรุณาที่มันทําให้เราเกิด<ม>ขึ้นในใจเราเนี่ยมันเท่ากัน<ม>แต่สิ่งที่เขาจะให้กับเราเนี่ต่างกันสิ่งที่เราเราจะได้รับจากเขาเนี่ยต่างกันประโยชน์ที่เราเราจะได้รับจากบุนนคคลที่เราทําทําทานด้วยเนี่ยต่างกัน อย่างการทต้องบอกว่าการให้ทนอันนี้็เ่อการให้เป็นาที่อ่ารรวยมีาในโชคชาติกไปอะไนางทาราทางท่ทางช่วยใหราไถ้าเราทำบรกับพระพุทธเจ้าหพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เ่ขัตาในเรื่องของของพระาษางี้ก็ การนี้ไอ้เหตุน่ะพวกก็ท่านก็ส่วนอหญ่จะจะจะหมายถึงคบหน้าชาติน้ามากกว่าพรหมิชานี้จะได้ก็คือปัญญาได้ฟังมธรรมได้หลุดพ้นถ้าหลุดพ้นนั้นมันมีค่ายิ่งกว่าเงินของเท้าพิถีพิาันปัญหาพวกเราคือเราเราไม่หลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยตัวนี้สาคัญที่สุด แต่ถ้าถามว่าทําบุญชนิดไหนจะได้บุญมากที่สุดกราบอกทำให้เกิดปัญญาเดิจะทําให้เกิดปัญญาก็ต้องไปหาหลางที่มีปัญญาและหลังที่มีปัญญามากที่สุดดีที่สุดพิเศษที่สุดเทปัญญาของพวกพิเภกย่าลองลงมาก็คือพระกสุจักรลองลงมาก็คือพระอรหันต์ลองลงมาก็คือพระอนาคามีพระสกิทาามีลองลงตังมาเรื่อย เป็นถึงพระผู้ชุกเพราะพระธรรมดาทูตทรงศีลสองคำและก็มีปัญญากระดับบนแท่านระหว่างพระที่ทรงศีลกับพระไม่ทรงศีลเนี่ยมันก็ต่างกันใช่ไหมพระทรงศีลทรงธรรมยังรู้เข้าใจคําสอนวิณชาเขาก็ไม่พาให้เราหลงถ้าไปเจอพระที่ไม่รู้เลยเดี๋ยวก็หลอกให้เราไปอาบน้ำมนต์ออกไปสักยันตตรงไหนที่หน้าท้องที่อะไรวุ่นวายนี่ถ้าคนไปไปทำบุญกับคนโง่อเขาก็พาให้เราโง่ตามเขา ถ้าไปทำบุญกับคนเลาเขาพยายามเิะให้เราเลาการไปแล้วเราไปทำบุญกับโนจามีไมที่ท่านหัวให้เราไปเจอไปไปเอาวัตถุมงคลต่างๆา่าห้อยคอไปเอาน้ำมนลที่นั่นที่ไม่มีล่ะท่านก็สอนทางศีลภาวนาสอนปัญญาอยู่ตลอดเวลาแต่เราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็ยังไปคิดถึงไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องต่างๆเนนีย ทำบุญแล้วเมื่อจะรวยสักทีไอานั่นเริ่มเป็นผลคอยได้ผลได้ในปัจจุบันก็คือจิตใจได้รับการชำระเวาทาให้ทานแล้วมันก็ชำระความเจีอความเห็นแก่ตัวความหวงแหนความเสียดายความโลภ เดี๋ยวเราทําตอนนั้นก็ได้ได้ชนะแล้วเพราะมันการกระทํานี่มันก็การให้นี่มันเป็นการสวนทางกับความตนันต์ควาตันต์ถ้ า, ถ, าถ้าตันต์ชนะก็ให้ไม่ได้ใช่ไหมโอ้เสียดายไม่ทําดีกว่าก็ <c oughs> าอาจจะคิดไปตายต่างนะหลวงตาท่านคนทำเยอะแยะแล้วเงินเยอะแยะแล้วท่านไม่เดือดร้อนเราเราไปทําทำไมคิดย่านี้ก็ไม่ได้ผลนะความตนันต์ในลัก็ชนะเราแหละ แ, แต่เราไม่มองที่ใจเราที่หิวโหย กับความความขาดความสุกใจเนี่ยมันไม่ได้เหมือเราเวลากินข้าวอยเวลาเราหิวข้าวเราไปเรื่องร้านอาหารเนี่ยแต่รานี้รานนี้อร่อยแต่คนเนีอยต้องรอนานก็ไม่เอาแต่ร้านี้คนน้อยแต่ไม่อร่อยก็ไม่กินก็อดตายพอดีนะแต่บางทีอยากจะไปทําบุญแต่ว่าที่เขาไม่มีใครไปทํำพอไปเห็นเข้าไม่น่าศรัทธาเลยก็ไม่ทํา พอพลาที่น่าศรัทธาคนทําเยอะเกินไปแล้วก็ไม่อยากทำเพรก็ไม่มีอะไรก็ตายตายก็ไม่ไม่ได้ชนะความตระหนีสักทีแพ้แพ้ความหลงแพ้ความตระหนี่ลำอกเรามันอ้างเหตุผลชาวพัฒน์เหตุผลไม่ให้เราได้ทําคุณทํรมานให้เรายังขวงยังรักษาเงินก้อนนั้นมันแล้วก็มาเสียใจยเกิดขโมยมันขโมยไปร <c oughs> ้องห่มร้องไห้จริงไม่ได้นอนไม่หรือ แต่ถ้าเราเคยให้อยู่เรื่องอย่างที่เคยพูดเมื่อกี้เนี่ยเกิดโดนใครเขาขโมเยเงินไปสักสักหลายก็คิดว่าก็เป็นการทำบุญทำทางไปให้ดีไ ป, ไปมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันก็ไม่ถุกไปแต่คนนี้ไม่เคยทำบุญนี่เวลางเงินหายตอนี่โอโ้โหกินไม่ได้แนะ้วเหลัาเจ็บน้ำน้ำใจเนี่เป้ า, เ ป, าเป้าหลักของการของศาสนานี้ไม่ได้อยู่ตรงไห น, นอยู่ที่การช่วยเแลอติดใจเราไม่ให้มันทุกข์ ปัญหาของพเราคือเราชอบสร้างความทุกข์ที่เกิดจากความเหนื่อเหนยึดติดในวัตถุ ข, ข้าวของเงินทองยึดติดในบุคคลยึดติดในความสุขต่างๆเหล่านี้มันทําให้เรามีแต่ความทุกข์ความวุม่นวายไม่รู้จกกักจบจาขึ้นที่ให้เราทำจนวันนี้ก็เพื่อที่จะได้ไม่ทุกข์กับมันเมื่อเราไม่มีวัตถุแล้วเราก็สบายละไม่มีเงินก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหย ว่าดอกจะขึ้นหรือจะลงอยางเงินไปสายดีหรือจะไปซื้อหุ้นดีโน่าวุ่นวายกินไม่ได้เนาะไม่หลักคนที่เขาต้องเงียงกนต้องเหมือนเดือดร่อนเงี้ยพอได้ามาคิดจะไปทำอะไรกันจะทำมุนดีหรือไปเที่ยวดีไม่จัดจปัญหาอนไรเแี้ถพอทำไปได้แมันก็เกิดนะ e ช่ไหมใ a ่แ <tampoco> ล <Christmas. isy cities> ้วฉันควรจะอะไรนะถือขยะเข้าสบายไหมนะครั a นะครับ สังโฆ a นะรโสยถานาโติะะโยถาสัพพติโยวิวัตยานุสสะพรโควินาสตุนาเตภวะตวันตาโยุีทายโภวอิวาะสุิะิิจาตจามิโนัตตารธรรมาวาติ อายวันโยตุขัาขละสัอันนี้เล่นใช้ฟลายพาเลยไะปลายรม้พายได้อันนี้ฟังเป็นไง จะทำรู้เข้มแข็งไหมเหมือนมาหนึ่งอนี้เพื่อนจะจางนี่พอไปแล้วก็จางไปเหมอนควนเย็นต้องมาเก่าใหม่อะไร้ก็หแล้วจะไปฟังใหม่ครับวกที่อาห้ราฟังไดเลยค่ะแล้วอันนั้นถดวยขอโม้ยฟังได้หลายครั้งฟังครั้งหนึ่งมันก็จะเข้าใจไปอีกอย่างพอฟังทีอมันได้หลายอย่างได้เยอะพรที่พูดมันเยอะมาก บาที่จะสามาก็ไปแต่ว่าเอาก็ไยีจะครอกหนดมันต้องอาศัยการศึกษาล้อาศัยการปฏิบัติครบคู่ได้วยก็ขอปฏิบัติด้วยนะไม่่านเดียวยายามจะให้มือมันสูงนไปเรื่อยๆเรของสูงมก เปล่เท้านมาแล้วมันจะอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังลงก็ได้แต่จะมองที่เป็นกากับเรามันจะมันเกลี้แล้วมันจะรู้สท้อแเพราะไม่หวใจไม่ไหวอลยเราจ็นใกล้ๆนิดเดียวให้ก็่ะแขนยาวไม่เท่ากันตอนนี้เลยครับตนนี้เราแบบนี้น คนเอายิ่งยิ่งมากแล้วขงต่างๆมันไม่มีประโยชนะ์นะนะ้ำเยอะจะดีที่สุดของหวานก็ไม่ดีของมันก็ไม่ดีของเล็มก็ไม่ดีเป็นพ่อจะบร่างกายไม่รับต้องมีขั้นอย่างดีแต่การเพศที่เรื่องเกี่ยวกับการกินเนี่ยที่กิ น, น่างตาลดีเนี่ยทำให้เรารู้สึกมากเราต้องตร้าย้รน้าตาลเราเป็นบ้างคนถึงเป็นโรคเบาหวานกันเ ย, เยอะเพราะว่ามันปมาณนี้เราผลิตน้าตาลกันง่าย สมัยที่เมสมัยก่อนนี้ไม่ค่ยมีของหวานอย่างนี้ปัจจุบันนี้เต็มไปหมดเลยน้าน้ำต้มดื่มมันร้อก็หวานขนมก็หวานอไรหาหารก็วานอย่างนี้การอยู่ดีกินนี้กับการที่จะเป็นเป็นคุณกับเป็นโทษกัน <Okay. S 1> เพราะมันเกินประมาณมันถึงจะให้รู้จักประมาณในการพายุโคลน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดี เราไม่ไปเลยจังนนนนหนึ่นเดียวหง็มีมีอนฟังๆที่อ่านกันดบ น, นีที่มที่เจรทั้ที่เราเรไม่ได้ที่จะกิดที่มับเย เราบังคับมันไม่ได้เวลาการการมันจะรับเิดเธอวถ้าเราไปบังคับยาวการที่เราอยากจะดูไม้เวลาการที่ระเจิดมนบางทีมันก็เกี่ยวกับเราบางทีก็ไม่เกี่ยวกับเราก็ได้นะแต่วิธีปฏิบัติง่ายๆเลยรู้แล้วปล่อยวางอย่าเอาบ่นใดๆทีเราไม่ต้องก ที drink, ่าเีก็เป็นเรื่องจิงบางทก็เป็นเ่ไม่จริง่บางทีก็จริงบก็ไม่จิงเรื่องทจินทีเราก็ไปหแล้วก็ไปห้าไม่ได้มก็ต้องเกิดอยที่ท่านบอกว่าําจัดสิ่ที่อยากอย่างควาโรอไออกไปแล้วเไม่ตรไม่ตรวจทไรแต่มันก็เป็นติดอย่างี้ไมเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรยแต่ก็ว่าเราก็ไม่ติเฉยๆแต่ว่าก็อย่าไปทําไมไปไปเพราะว่ามันมันเป็นอย่างนั้น อมันเป็นมันเป็นตามกระท่าความเป็นจริงมันมันไม่เป็นมันไม่มีทําไมแบบที่อย่างมันเป็นเพราะมันเป็นทําไมฝนตกตามเวลาเนี้ยก็ฝนมันตกเนี้ยก็ตกเลยคือมองที่มีความรู้สึกว่าไม่กลุวแต่ว่าก็ไม่อยากเจอแบบนั้นคือความไม่กลัวนี่ความไม่กลัวนดีแต่ความไม่อยากเจอนี้ไม่ดีความไม่อยากเจอนี่เป็นเป็นสมุดไทย ถ้าเราผ่านมันได้แล้วเราอย่าไปกลัวมันนะผ่านมันได้ครั้งนึงแล้วก็ผ่านได้สิครั้งพอเกิดขึ้นอีกแล้วก็เราก็ปฏิบัติเหมือนเดิมที่เราเคยปฏิบัติล้วก็นงเฉยไม่ไม่มกระทกระทันไม่หวังนไหวไม่ให้ไปยินดีอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่จริงๆใจโลกนี้เราไปห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเกิดมันด้เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่ บาคทีก็เลื่อนได้บางทีก็รลื่อนไม่ได้เลื่นได้ก็เลื่นเ่อไม่ได้ก็ต้องทนอย่านีค่อตัวนีถ้าถ้าาคนต้องทาให้เราโกรธเนี่ยแต่เราก็ตัดใจแต่พเราหนีแล้วเนี่ยเขาโกรธเราไม่ด้ที่หนีไม่ได้ไม่ได้บาปมันเขาแบเป็นกรรมของเขาคือเราไม่รู้จักระงับความโกรธของเขา เป็นเรื่องของแต่ละคนตัวใครตัวมันเรื่จิเรื่องใจนี้ถ้าเราไม่ ไ, ไปทําให้เขาโกรธแล้วขข เ, เขาโกรธกันเองนี่ไม่ได้อยากด่าแล้วเราไม่เดือดร้อน <ừ> แล้วก็กลับกามัวโหอย่างอันนี้เราไม่ได้ทําอะไรเ น, นี่ยเราก็เป็นเราก็เป็นเหมือกับต้นสาวเนี่ยเราไปด่าต้นสาวแล้วต้นสาวมันเฉยแล้วก็ไปโกรธกันใหญ่ใช่ไหเราก็ปล่อยเขาไปมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่มันเป็นกรรมของเขาก็เป็นความร่วมงือของศาของเขา ที่เขาจะต้องแก้โดยอถ้าเขาไม่แก้เขาก็ต้องเขาก็ต้องทิท้งทอมานไปกับมันเป็นเร่องบากกรรมของเขาเราเราแ ก, ก้ได้แล้ววันนี้เราเรากินยาเราหายจากโรษแล้วแต่เขาไม่กินจะไปโทษใครต่โทษคนที่เขากินนะคนอื่นคนคนที่เขาหายมัน่วยกันไม่ได้เพราะเราเป็นฝา ด, ด้วยกันสองคนเนี่ยคนทีงกินยาเราหายก่อนคนไม่กินยาไม่หา คนไม่หายก็กลับไปโกรธแต่คนที่ที่กินยาแล้วหายก่อนไม่โกรธก็ได้เนี่ยก็หาก็แสดงว่าเป็นคนบ้าคนไม่มีเหตุไม่มีผลก็อาจจะเป็นบ้าเพราะมีความอิจฉาที่ยาหรือความเกลียดชังจตจะให้เราให้เราทุกข์แต่เรากำไม่ทุกข์แล้วก็เลยิ่งกับทุกข์อย่างท่านหนกว่าทุกข์ให้ทุกข์แต่ท่านทุกข์แล้วไม่กลับมาหาตุกข์อย่างทำไมไปคิดให้เขาทุกข์ทำไมทำเรื่องที่ให้เขาสุขเนะี เพื่อนก็สุดแล้วล้วก็สุดตามไปด้วยอ่าเงียง้นแถ้าจะอะทัาจเดีาไม่ชอบอนะคะเราไม่จะเทสต์บบว่าเอ๊ะเราไม่ชอบเราชอบสรงหรือไม่ชอบสรงอมก็สตัวเติเราซึ่งซึไม่ได้ตสอบใช่ไหะก็ถ้าสงสัยคนจะสอบถ้าชอบก็สงสัยยังชอบอยู่ก็โยนทิ้งไปดูให้ไปต่อไป อนนทางก้วยใช่บางทีมันาจจะหลอกก็อาจจะหลอกหรือตางทีบอกว่าไม่ชอบแต่ยังเก็บไว้เงี้ยก็ยังพยายามดูว่าเออเพื่อเ่อยงง้เพไม่ชอบแต่ยังคิดถึงอยู่แต่ไม่ชอบอย่างไรยังต้องคิดถึงอยู่ก็คนต้องเวะนเราไม่ได้คิดถึงก็เลยแต่เรามาคิดถึงทรงนี้เรามาบอกว่ามีคนมาตุนเา ว็าเขาเกียดหน้าคนนี no, no, ้ตัวท like ี teaches, or five or five or, ่ไม่รู้สาเหตุยเขไม่ชอบหน้าคนนีเพราะอะไรครับเขาบอกาไอ้ไม่จริงๆก็คบกันอยู่แต่ว่าเกกันจำก่กเา่งทีคนเราเนี่ยเจอหน้ากันพราราู้่ไม่ถูกกันแสดว่าเคยเคยเคยันค่ะอยากทราบว่าจะก้อ๋อก็ทำใจให้เป็นอุปเลยขาไม่ก็เราเราเราบังคับเขาไม่ได้เราบังคับเราได้ เราก็ถ้าเราไม่ชอบขอเขาแล้ว เ, เราไม่สามารถทําใจให้รักเขาได้เราก็ทําใจเสืๆไปก่อนแต่ถ้าเขาจะทําอะไรเราเราก็อยา่าไปอย่าไปโกรธเขาอย่าไปมี อ, ไ อ, ไอะไรที่เสียว่ามันเป็นมันเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นยุบบาทแต่ถ้าบันทีอยู่เป็นนานๆเราอาจจะทําใจได้ยิ้มให้เขาบ้ามีอะไรก็แบ่งเขาบาที่เหตุการณ์มันทําให้เราทําได้ก็มี บางทีอาจจะต่างคนต่างจะไปใช้โทรศับเครื่องเดียวกังนี้เขาใช้สองอนี้มันก็เป็นการช่างมาติดติดกันเเนื่องจากความไม่ชอบทางต่าง จ, จะกลายเป็นความชอบทางที่หน้า ก, ก็ได้แตไม่แน่บางทีมันอาจจะมไม่เป็นมันอาจจะไม่เป็นวิบากก็ไดัง่าจะเป็นถ้าเราไม่ชอบที่หน้าคนแบบนี้เราไม่ชอบลักษณะคนแบบนี้ก็ได้แต่เมื่อได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันได้ได้ทำบารมีกั น, กนเพื่อเยียวยากันแล้ว ความไม่ชอบยังมันก็อาจจะหายไปก็มีบางทีเราเจอคนใหม่ๆเราไม่ชอบเขาก็มีแต่พออยู่ไปแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมีการประสานกันมีการเยื่อเมื่อกันเชื่อวเดือกันมันก็ลืมเรื่องความไม่ชอบไปได้กคนเหนือเลยไม่ไปก่อนต้องฝังอยู่เลยนะฝังมาตลอนฝั่งนี้ต้องมีมาตรตานใช่อืม ต้องตอต่นาดีกับต่อเขาเสมอน้องทอะไรนะคพอพยายามจะทำในพ่คือเขาพยายามเมตตาแต่ว่าเขาค้นพบว่าในความเมตตาของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกกระวลรงวายใชไหมีความรู้สึกไม่ชอบหรือหรืมีความสึกไม่สบายใจหรือเขาอยากแก้ตรงตรงนี้กันก็พยายามอยู่ต้องพยายามทำไปเรื่อยเพราะว่ามันแทบกทบามันเป็นทางต่อสู้กันระหว่าง ระหว่างทำกับอักขันน <urez> ี่ยระหว่างทำกับกิเลสี่เลสความนี้จากตัวความความยังใหญ่จะทำลายตามใจตัวครับต้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจตัวเอมันก็อยู่อยู่จะต้องพยายามฝืนทําปเรื่อยๆเมืเคยถนัดขวาอยู่เนี้ยเมื่อถนัดพยายามใช้มือซ้ายเมื่อเอเผลอปั๊บเมื่อจะไปใช้มือขวาต่อทางนี้ต้องมีสติการมีอยู่ แล้วก็อย่าไปอย่าไปปฏิเสธอย่าไปมันเกลียดมันเวลาเกิความนี้ัยก็มันมีการตอบด้วยกันเพราะว่านี่มันเป็นการยังยังยังยังยังยังไม่หมดยังเชื่อยังไม่ถูกทําลายหมดแต่ถ้าเรามีสติรูษษษร้แล้วเราก็เราไม่ไปเราเร า, เราไม่ไปกังวลกับมันมันก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วต่อไปเมื่อเราทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จ ะ, จะค่อยๆหมดไปได้แสว่าจิตเรายังไมไ่แข็งแกร่งพอ มันมันยังไม่เอมันยังไม่มีทำมากทำมากพอกันแล้วกันกิเลสมันมีมีแรงที่จะคอยคอยต่อต้านอยู่แต่เนื้อเนื่อเมื่อธรรมะมีแรามากกว่าสามารถนอ็อกกิเลสได้เพรกิเลสถูกน็อกล้วมันก็ไม่มีอะไรต้านต่อไปอันนี้ยังเป็นอยู่เหมือนถ้ามวยก็ยังไม่ได้รับสิษย์ยังยังผัดกันรุ่ยังผัดกันล้ ก, ยกลอยู่ <c oughs> เราต้องลงไปนับกันแล้วสบายแล้เนี่ย